เราแสดว่าศาสนาคำสอนของยุคสมัยเป็นกจรวเราก็ต้องพิสูจน์ใ้ให้เป็นคาจริงกับเรานความจียงที่ปรากฏนี่ยังเป็นความจริงของผู้่เราไม่ได้เปลีให้เราเนอางเราเราก็ยัเป็นหรือนดิมเราจะอาจสร้างสทาปนิกคนอื่นกัน ใหมีพลังให้เพิ่มให้มีความมั่งคั่งให้เพิ่มแต่ก็ยังไม่เพียงััวราการทำห้ความจรงมีปรากมาตเราารทรานี้เเป็นาาารบัวมารห้ปรากฏในตัวรา ร่างกายเราจะเป็นอะไรต่อไปมไม่สำคัมีจะเป็นชาเลอร์เป็นดินก็ไม่ได้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่ยประกอบที่สำคัญคือจะัวใจห้มันอนให้มันะอาอา จ, จ, จากความเลือดามโกรธความเย็นโดยด้วยการหัวใจหัว้เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายมสัาผัาสทันวล ที่จะรักก็รัวามเสื่อมของผู้รกามร่กงกยู่ตัวถ้าบอกว่าถ้าจยงได้เวลารายงาก็จะมีเวลาที่จะรันร่างการให้นาพาะางกันก็จะมาขอเจริญ้างกายอย่างนีถ้าถ้ามีเวลาไม่มากพอเป็นบรรลุแล้วก็ เราเด็กที่ไปทำดูทำใดกจะเม่ืนยันที่จะรัพ่อร่างกายไม่นราชาอาจะไม่ต่นาช า, ก า, กาเกก็มี่างเช่นกนารย่าหนึ่นง่ตายไปว้วก็อ่คนท่านไมได้นาก็ไมหอนว่ายังมีอุูมิในท้องรือไม่าาไมีีพไว้ก็คง ทางท่านก็จะติดใจดจะมาด้วยการช่วงปลายชีวิตของท่านเพราะอาจจะไม่ดีรานมากที่จะบอกท่าบอกเมตตาให้ตานั้นเกิดตัวใครจะมีพระท่อาอแล้วเรื่องนี้ยูเจ้าของเขาเองเขาก็ไม่กมังวลว่าจะเป็นให้แต่ท่ า, ทานต้องรู้ว่าท่านเปาเป็นแล้วตายภายตันั้นเกดตายต้องต้องไปเรียนมากจากเกิ ตอสำรับตัวเราเองเราไม่เป็นปัญหาเนี่ยงของคนอนก็อาจะมีการเป็นสัญหาว่าไม่จริงมจริงใช่รไม่ใช่น น, นการอย่าไปเชื่ญญอใจในคนอนข้ถือว่าละโม่เข้าเปลี่นเลย่เข้าเปลยนเชา้าละโะม่จะหาชื่อเล่นเองก็ไนดะ้ลองทางนั้นก็เป็นจริงแต ผู้ศีกทาง น, นี่เป็นแบบบับที่ให้ราตามอยู่อย่างนี้ถึงแม้วาเรื่อการงท่นจลายกันภาพไปแ้วก็ม่ได้ดทำ อ, อะไรใหเราูีขึ้นกับที่เราเป็นเราตัวเ ร, เ อ, ร, ถถว เ, รเองท่านกต้ทำตัวราเองให้ดีขึ้นด้วยการปบัต้มากขึ้น มีกาตัดมีการักมกาต่างมโลงให้ใหมากขึนากยากววายึดากาสัมความุทางต่างหรือทางจมามืทางตาหาความสุขทางใ า, ง า, ว า, งาความสุขให้วยืงน น, น, นทางยืมเ น, นีจ พิสูจน์ความจุิงที่เราสงสายกันอยู่ก็ยังไม่แน่ใจจะได้เห็นอย่างชัดเสียงแล้วถ้าเราเห็นอยู่ในตัวแล้วคกอื่นจะกลายเป็นละท่ะานหรือไม่เขาเรียกสงครามทที่ว่าตัวเราได้ทำทิตของเราอยู่แล้ว ได้อยุดพ้จากความคิการดูนะูแต่ตัวที่า า, า, า, าแต่เมื่อเริต้นเมื่อเรายาังเรายัต้องทำทางอยู่แลก็อาจจะอาศัยผู้ที่ตาดีเป็นผู้ที่มางาเป็นผู้นาทางทามันก็ต้องแลนะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ปโยกว่าในตัวหาผ้าท้า อพวกที่ตายไป้วก็คือไม่ได้แน่นาว่าเจ็บไว้บูชาที่บ้านก็จะไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไรดีอะไรดีดีไ่ดีอ า, าจะทำให้เราที่เกียมากขึ้นก็ไที่บ้านมีท่ามีของนี้นะไม่ต้องจะดิดแบบเหล่าท่ า, านช่วยในมนี่ก็อาจจะหลักคา เ ร, า ต, ร, ร า, ต า, ญญาตัดทอนเราตัดตาเห็นเราพยานเป็นที่ต้นของต่ถ้าเป็นเตียงหนังอย่างหลังัวอย่างแล้วเราก็อยากจะมีของกินเวลาเปน้เป็นเราเข้ามาเพียงตัวอย่างขึงน อ, โโยอย่างที่จะหลอกล่อให้เราไปตับเป็นีอยู่เราก็ เห็นเห็นอาจารย์ที่ท่านแรกก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนเมื่อท่านหมอนาภาพไปแล้วน้ายจของท่านแรกตายจนไม่พาดแล้วถึาจะให้เราให้ายในความฉลาดวิทยาจบบทีท่ท ว, ว, ว่าเราอยากเห็นเขาที่นตัวเรายล่ะ เาดูของคนอื่นเขาไปดูตัวอย่างไม่ไไม่ได้ดูอย่างเต็มเรื่องไม่ดีเดียวดูอย่างเต็มเรื่องก็รแงูตวเราในตัวเราแลก็ดีะมาณนี้ประมาอาจารย์มีพิธาราชามีพิช้าก็เป็นวันถวายพระเพลินเลย้าต้องพระอพนกปลูกต้องทำเลยพระพุทเจ้าท่านก วันที่ผานไปวันเป็นเดือที่ผ่านมาเ พ, าพเืบบ่อพขาจะจุดบุชาได้เจ็วันเจ็คืนมาราการสัเป็นเ้าาหลังจากนั้นก็เป็นผู้ีฆวันสะพานพระราชเพื่อเปิดการาจ ะ, าระามาราการตก็จะ เ, จะจะจะเก็บพระานนันเมื่อแจกแจงให้ท่านและทุกคนที่รอ้งต่เช แ้วก็ทวมาให้ได้ไดเนน่สงครมยกกันก็เลยต้องปอไปินออกไแค่การกระทำแย่งกันๆที่มาร่าาวในทางมัยก็เถอะในสมัยก่อนกับสมัยมนีนย้ก็เหมือนกันก็ยังแยกกัน จะเรื่องราโกว่าีว่าว่าพระอาจารยแน่ๆว่าก็ไดมีแต่เรให้กันเพราะท่านก็ไม่ได้ว่ามันพิเศษมีสอะไรมันพิเศษในสําพุทพวกเรามแต่ศารนาพ่ทนมันก็ใช่ที่พิเศษมันบุนคนเองอยู่ในใจของข้าอยู่ในใจ ของนอกเนี่ย เ, เราพิจารว่าเปของอร้นอนม้จะเป็นสักมากก็ตาแต่ก็ยังไม่้เพิเศษที่แค่แต่พิเศที่แค่จ่คือความรูสึในทิตใ ข, ของเราที่มันต้องเกิดขมาผ่านคอาแต่ท่าทานี้เรารสม่ลัดฟอ การเวลาเพ่อารเรีเวลาอะไรความคุณใหรเราก็ตั้พอความตื่นการโยกความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่กคือโมหะนี่เอารตืนก็คือกาโยกเมื่อเราตด่แล้วก็หัวพราะเราอยากได้มากกว่าอยากที่ภาเรื wie, ่องทำให้เราอยากได้มากกว่าไอยากได้เสียเป็นที่เรงนี้มันก็เป็น ความกระสือ น, นี้ก็มาจากความรู้ความมีแก่ตัวก็มาจากความเหลือมในโลกนีตัววารณ์่รางีของเราจงความพยอยางที่เรามาให้คนอยู่นี้มน่้เป็นของรันเยดึนหางว่าเรากาเามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวเลยมายีด้วยกัน รังไ ด, ด, ด, ด, ด, ดม้มาได้ร่างคายที่เขาที่พ่อแม่สร้างให้เราให้กับเาเวลาใส่ร่างกายเรามามาอาบน้ำก่อนเมื่อเรามี่ากมายจนแขรงขากไปเราก็เอามาแ บ, บา่งมาแจกมาใส่เราเก็บไว้เพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่เกิดประยชน์อะไรแล้วก็เป็นทานะทางงานจิตใจ ต้องห่วนต้องดูแลรักษาต้องทำให้ไม่ได้ความ่สุดใจลอยขึ้นมีคามคุขมากขึ้นและกับดดรันจิตใจให้มีความชุกมากขึ้นเพราะความเหมียวทาให้เราเห็นว่าเป็นของเราเราเป็นของเราเราเก็ห่วงเพราวถาเราติดตามที่เดินตามแต่วความสุขเราก็เห็นว่ามันม่มีตัวต มีเจะ้าเราสอนสั่งก่อนแล้วว่าโยมญาติที่เานี้ก็เป็นข่ารด้คือใจเราจะมารวมกับท่าที่เรานั่งร้ไปกับอากาศข้าวก็เป็นปรากฏในหน้าขาขึ้นะแล้วก็จะหาท่าต่างต่างที่เราได้มาได้เท uh, <Okay. S 1> ่ารเป็นท่าที่เราดูไปนะก็โสงไนเรื่อยต่างๆปรากฏให้เป็นข้าเป็นของไปเรื่อามขึ้นนา เพื่อให้เราได้ใช้ถ้าเราใช้รืงความหลงรเราเพจ่อแก้มีควาที่ติก็จะเหอนกับคนที่เสียาตีดยาตสดติเมื่อใช้แล้วก็ติดเวลาได้มีในราคาก็เกิดอาการปวดหัวกงไปหามาเสพอยู่เรื่อดแต่ถ้าเราใช้เรืมปัญญาค็ ค า, าใช้ัคที่เป็นสางทงาชื่อช่วยให้เราเราร่างกายมาาีบางานที่แท้จริคือราลูกเรื่ อ, อ, ง, ง, อ, ง, องความรู้ความโความให้ออกไปจากใจของาคือการใช้ส็นตางๆที่าาทรามีอยู่ไม่เป็นัวของเรา มันมีรดรากกายให้มีกำลังมังชาเพื่อได้ทำมาทมือก่นตาทำารด克รือมีการนั่งสมาธิเรียนจังปุ่มเยนวิทีปัจจัยเรยนปัญญาเพื่อให้เห็นถึงความไร้เทียความทุกข์ความไม่รู้ตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อจะได้ตัว ก<ม>ารทำทางการให้การเคลือละนี้ก ja, ็เป็นการปล่อยวางในแบบนี้ปล่อยวางในวัตถุข้าของของเราเราปล่อยจะได้ไม่เวทชัยนะก็จะมีวางเฉยมากขึ้นไปเร่ยแล้วก็เะดื้อๆากที่จะที่จเสียตลาดทื่จกตัดกัตถุข้าของต่างที่ยังไม่มีดเฉยๆถึงตามอย่างที่ ต่อการปฏิบัติธรรมของเราบรรากาศเ่ น, นี้วราจไม่ต้องเเสียเวลาหามาเพิ่มเรากจะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปอย่างถ้าในทางตรงกัน้าเรามีมความหนะลงเราเหน็นว่าวัต น, นี้เป็นเครื่องที่จะให้ความสุขกับเราเราก็จะเสียเวลากับการแตะหน้าวัตถุข้าของเรานทองเราก็จะติดง้นกับความติดยาเสพ ก็เสพเรื่อยต้องาเอามาดีเรื่อยๆก็จะไม่ไม่อยากที่จะเอาไปแจกเอาไปจ่าอไปทำเป็นของทานอยากเก็บอาไว้เพื่อให้ความสุขกับแต่ทาส่วแบบนี้ม่เก้เป็างส่วนยาเติดมัไมไม่แตกต่างไปเวลาท่านเสพได้ความกรชื่อมีความสุขมีความสุขเต พอไม่ได้เจ็บเพื่อเกิดา ก, การอุบัตตุเนตัวแล้วเขาไม่เกิให้ความเจ็บมันมีแล้วหรือพวกนี้ก็ต้อบ เ, เไม่ได้มตบางทางเพรานั้นพระชเจาตรัสให้พวกเราม า, าตัดมันออกไปอย่าไปยึดอย่าไปติดับวัตถุเท่าของเมื่อง อยากได้หวานความสุขจากสิเหนี้ให้เรามารับใช้เราในด้านจิตวิญญาณธรรมกันถ้าเราทำให้การเรื่อยเรื่อแล้วความโลกอยากได้วัตถุเข้าของเงินทองก็จะน้อยองไนความเบื่ ท, ที่จะต้องเสีเวลาไปทำมาหาเงินก็จะก็จะน้อยลงไปก็จะมีเวลามากขึ้น ไว้รสรับาาปฏิบาานนัติธรรมพอปฏิบัติธรรม้ก็จะเกิดความข้ า, า, ข า, า, ข า, าใจทางด้านจิตใจจิตใจจะสง ข, ขึ้นเรื่อยๆมีความผ่อนใทางมอมมากขึ้นไปเรื่อยๆมีความชุกมีความมุ่งายใจร้อยลงไปเรื่อยๆวางลงไปเรื่อยๆคืไม่ต้องมีอะไรมีแค่ปัจจัยี่ คพร i ะถึงขั้นแล้วนะที่ว่าเชื่อได้ก็มือได้ออกได้จะอยู่ที่ไหนก็ได้ไว้ให้สงบให้ไดเงียบก็ไ ที่มสำหรับว่าไม่มีอะไรเึ็นของเราที่อย่างนี้เป็นความที่ต้องมีอยู่นีลกนี้เราก็องเดินแต่มามามีสิตที่จะใช้เหมนอ น, น, นเดกแล้วมาถึงวลาที่เราต้องฝอนเราก็เอ า, อานหลักไปนี้เอาความหรือเอาความเราทาได้ใช่เราความสว่างหรือเอาความนี่ ถ้าเรากฏบัติธรรมนักแท้สิ่งนี้ทำอย่างเต็มใจเรกเพ่จะเอาความเความเราวางใจเราวางใจ้าเราวางใจทำแค่การหาล่าด้วยแต่ละใจสุดแล้วก็ไม่ทงถึงเรื่องศแลธรรมขอให้ได้มาทำที Inside, enfin ่บางขั <Darling customize ppy ermaid> than, ้ก <bullshit> ันทําจะต้องทําิดสิ่งติทั้งก็มีดีทันก็จะไปด้วยความมืดด้วย่วาง สุทาก็จะยิมากขึ้นการยิ้มไดก็จะมากขึ้นความรู้สึกจาการแก่การเจาราการพลาดการเสียก็จะมาก่งขึ้นถ้าไปทางคำว่าคนไปเราไปวบาพุกชาติจ้อยลงไปเรื่อยๆจหมดไปทีุ่ดมันหมดในชาตินี้ก็ได้ ถ้าเราสร้างใจปฏิบัติเชิงไม่ทอดทิ้เไื่หยุดยั้งให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆปีนี้ทท่านี้ปีน้าก็ต้องเพิเหมืกับทางโลกปนี้มีกำไรเท่นี้มีอะไรนด้่านี้ีหน้ากําลังเพิขึ้นไปอย่าน้อยร้อยละสิบเิ่มขึ้นเรื่อยีนี้ปฏิบัติได้เท่านี้ปีหน้าก็มีบัเพิ่มนปีนี้ให้ทำระดับนี้ทีหน่ากํา้องเพิ่มขึ้นไปรื่ สิ่นกำลังจะ่าใด้ขึ้นมากขึ้นเีละเดือนการรักษาติด5วันการรักษาเป็น18วัน17วันตื่นแล้วจะว่าปปไปพอได้กเดเดี๋ยวนี้ก็ถึงที่ถ้าเป็นแบบนการดยังไม่รอาครัวทำได้เ้าทำให้ทำได้ เราทุกคนมีเวลาท่าปรนมีไม่ยี่สี่จะางท่าประนอยู่ที่ว่าเราจะเอาเวลาที่ใช้กับอะไรตนเช่ยบว่าไม่มีเวลาทำหนไม่มีเวลามาวัด่มีเวลาทำอะขาจะมีได้งเมื่อเขาไม่จัดเาลาให้เลยให้เงนมาไม่คยมาไม่รู้ว่าเขาทาการตอแบงเวลาวันเงนเสียที่ได้อะ เกียวกับพารป ร, รวัติท้านท่านมีเวเาลาลวอะไรกอตอนกนางวันก่อนจะตรงงานนี้น ม, mm hmm. ม็มมมเดินทางสปงนที่เขาบรรยากาศไม่ด้ปรัวัติเยอะทำงานรู้สกว่าได้ของดีเห็ น, นดีของการประวัติทำไมได้ลองกำหนดเองตารางไว้เส็จแล้เป็นงาช่วงเวลาใกก็ขอให้เต็มเรื่องของการ ทำจิตใด้หมดั่งสมาธเลยก็ได้ได้ปลดป่อแล้วช่วงเวลาไหนที่เราตอนทา่จะสอบเข้าไปได้เสอบเข้าไปไม่ว่าหรืจะได้อยากว่าจะภาวนาไปทั้งวันเลยก็ได้หรือควบคุมจิตใจให้ให้อยู่กับปัจจุบัน ในส่วนไปในดีตส่วนไปในนาคให้อยู่ที่นี่ไม่ให้ไปที่อี่นเราอยู่ที่นี่เราครทอะไรเพื่อให้กับตาหาธรรมนั้ไม่ให้ไปกรุเไม่ให้ไปฮ่องกงเมื่อายู่ตร้เอยากไปคิดถึนนั้นอยากไปคิดถึงคนนี้จะทายังไงแล้วก็อาเวลาได้ท่าไหรได้ว่าเรที่หนเรจะเปียนต้อไปวา การภาวนานี่ยม mm. ีหลายระดับเลยครับเราอยากเพิ่มข so ึนเราทำไา้ที่แขนทุกขาทุกเวลาไม่ว่าการตั้งจิตนีในการให้มีสติให้ให้จิตนี่อยู่ภายใต้การควบคุมของาอย่าปล่อยให้จิตมันลอยไปตากระแสของเราความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีสติพอเราคิดเื่องอะไรตั้งนิ้วมืก็จะยาวเป็นจิดต่อไปซึ่งเรมันคิดเรื่งนี้ แล้ก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาถ้าเกิารมณ์อยากเดี๋ยวต้องะสงที Democratic ่ตรงันยทำถ้าความเครียขึ้นมาารเหายัม่งเกิดนะครับแต่ถ้าไม่ได้เกิดตง้ทงนั้ตเมื่อเราไปงันเราก็เครียดตานมาค่ะถเราเลี้ไว้ไมให้คิดถึงเร่องเื่องนี้ที่นันที่ ถ้าอยู่ที่นี่ตอนนี้มันไม่มีอะไรในจิตาณมันจว่าถ้านีอยู่คนเดีย ว, วรเราไม่แน่ใแเราเมื่อรก็ปลใจว่ามาปลอบให้ใจของเราไปไเ่อยรื่อและเราก็คิดว่าการตนนาัรตนน้งเกรปฏิบัติเา้องมีเวลาองอีที่ตว่าหือที่ว่าหตนัตนนี้น เขานั่งประมาณก็มีห้องรับที่อยู่เป็นการข้างทางกิดทการปฏิบัติที่แท้จริงปฏิบัติที่กายวาจาใจตรงนั้เนี่ยสถานที่มีปฏิบัติ่็คือใจแล้วก็มืนกับขยายออกมาที่ลายของวาจาดังนั้นเร า, รเ า, าก็ตอนน้องดูตามตรงถ้าเราอยู่ที่ปายได้ปลายกับวาจาก็ไม่เป็นัญหาคนที่อยู่โมกุลกัณ ว่ารักษาถึงนรักษาสิ้นเดียวข้อเดียวเขาคือรักษาใจพรักษาใจให้สงบลงเนี่ยเนี่ยมันก็จะไม่เป็รโลภสิ่งแต่ถ้าไม่ไม่สามารถรับัความโลภความอยากได้แล้วมันก็ต้องเป็นโลภสิ่งเ่นเห็นสิ่งแตกแล้วไม่สามารถระความอยากแลความหยากยล้วมันก็ต้องเนควาหนก็ แต่ถ้าคอยเข้าอยู่ที่ใจพวกพ อ, อยู่ที่ใจพอม็นคิดอยากขึ้นมาเราก็หาวิธีทำเลยตเืออายแ่ก็ได้เลือกายแาก็ไ้ถ้าอายแห่งงมาธิถ้าสวดดวงไปหรอบริทําุโทโธที่เกยไปแข่งกับความคิดที่อยากไปพยายาพราหาาความคิดนี้จะปรากฏขึ้นเราจะต้องพร้อมกันสองคนด้วยนะเรมือนอากรก็สลับกัน คิมายังคิดนังแล้วก็พยายามให้มัทมาิทางล่งพุทธโพุทธทไปเรื่ยๆทุกรายการทุกคนทพุทธโกเรื่อยเดี๋ยวถ้าเราไม่ไม่ไม่ยอมแพ้เหมือนกเราชนะนความคิ่ที่อยากไปรับรทานนะคะเหมือนกระายความยิ้งก็หายไปความดิ้งว่าความดิ้งก็ต้องมาใส่ที่แทไม่ได้เป็นเรื่องราวของของ ของการนะครับทำผิดใหสมองเมื่อเวลาาคิดค well, qui ือหาอารมณ์อื่นมาแทนความพิดความอยากเราเคยใช้บริการที่โทรแล้วก็ทุกโทรไปเรื่อยๆรับไปเหมือนโทรทัศน์เหมือนกันเราปลีช่องเราจะเจอช่องที่กำลัตทำอาหารเห็นแล้วมันก็เกิดความอยากแล้วก็หันไปช่องธรรมะหรือแต่ท่านยังเอง เราพยายามดิ้นขัไปแล้วก็เดินกลับมาเดินกลับมาช่าเราทอางนี้ความทราทุอยี่เพรานไม่ด้เห็นเรื่องอาหารไม้ได้คิดถึงเรื่องอาหารไปสระยะหนมก็ก็หายมัหาอยามีเรียกว่าอุบายของธรรมาติกาใช้อุบายในการพัฒนาตัยานก้นใช้เหตุผลมากเยไม่กินก็ไม่ตายไม่กินก็อยู่ไป วาเราชนะัหาชนะความเห่อราหลับความตึงได้พราะถ้าเราแพ้ปัญหา be เราก็จะต้องเชเชิญัความตึงพาะหาเป็นส right ิ่ท <ers and> <antes> ี <TL agree> ่ใเห็นถองความตึงที่าีเวลาที่เรเด้ยเ็นไ้ว่ายินนี้เราแพ้เวลาจะต้องทุก็จนต้องกินไปเรื่อยๆกินจนีแรงดึงดูนี้ก็ต้องกิน ก็จะไม่มีทางที่จะรับสารสน้ก็มมีทางที่จะไปเรื่องธรรมจะมาคิดในนั้นน้่งอยู่เพราะเรคิดถึงนี้นะ้ก็ต้องเด็ดกตัวเองเอง่วมองเรา้องอีกนันเท้าเป็นเง่อนตามเราดังความรูกตลอดตลอดไนกันยาถาเราเปิดไหลเรา้วมาทำเหมือนกันเ่ย เามาหาปลาสุดแบบหมูแบบสุนัขรือที่เขาเที่เขาหาปลาสุดแบบปลที่แบบกลางกินกลางนอนเราก็ไม่ไดจอะไรใจกันเลยแต่เรามาหาสุดทางด้านกิทางหาปลาสุดทางเราก็ต้อระับคามเราะประทานพอประมาณพอให้ร่างกายน่ได้ก็พอแล้วแประทานหาที่แท้คือคนที่ละประท เป็นเหมืนันรับประทานยาให้ร่างกายอยูดได้ไม่เจ็บไข้แค่ปวดไม่ได้รับประทานเพื่อให้ขึ้นความสุสจากการรับประทานให้รนะับความติดจากการทางอีกใจให้สงบถ้าเราสามารถกล่อมจิตใจพูดกันด้วยเหตุผลได้วด่าหยุดยอมรับ ไ, ได้ก็จะไม่ไปรับประทานการเอาชนะ่ไ ระบบก็มีคามสุเราต้องอคงอยจอยู่เสมอถ้าดูใจแล้วใจเราก็จะมีเสียงมความเป็นปกติจะเาจนสร้างปัญหาให้กับตัวเราไม่กับผู้อื่นแล้วเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจขอให้เราเข้าดูที่ใจเราเสมอ ดูได้ทุกเวลาทุกสถานที่ถ้าอดเสร็ขึ้นมาเราจะรูว่ากำลังคิดอะไรก็มีตาขึก็ต้งดว่ากำลังจะคิดอะไรคิอะไรอยู่ตาคิดแะไรตา ง, ตงไม่ดีก็เราก็พุโทโไปเรื่อยๆได้แล้วรู้ชะคิดอะไรก็พุโทโรไปเรืเเร่อยๆเมืเราากำลัองอยู่กับธรรมธรรมบทไหน เราก็อยู่กับการหมงกำลังใจถ้าเราคำงานพลาดโัพิจารณาบบบงิแล้วก็ทาพลท่าเราเพริมพิจารณาอี่านแล้วก็ทาพลาดาไมได้เรียนรู้อะไรแต่ร้สิ่งกัางๆมันก็จะม่ติีเรื่องนี้ว่ามันทำให้ิดานุกทิสบายแต่สาหรับผู้ที่เ่าพิจารณาก็อาจจะเห็นว่างันน่ากลัว พิจารณาความตายันน่าเบื่อพิจารณาสุขามันแ่น่าขยไม่นี่ยแล้วก็ว่ามันมีจิตเด็กต่อตั้งจิตเด็กก็คืัณหนัวเองแล้ววัาตัณหาก็ทคมูลของเรื่องราววิปลาวตตัณนาก็อยากจะอยู่ไงนานไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาพอพิจารณาการตามันก็จะทาให้เกิดความรู้สึกที่ในดี ปฏิกิริยาตอบโตจะมีภาวะใากไปถือกันอารหรือว่ามันเป็นเซลลมปะจกักระเล็น้อยที่เราไปต้องท่ า, าในการได้หรือับเวลาที่เราถรับงเข้ากันโลกระบาดเป็นโคทีมว่าเวลาถือรับสิ่งหนึน้ำต า, าใก้จะมีปฏิกิรยาตอบตอบโตกับ วักผงที่สีดข้าไปไม่จะเกิดอาการไข้ได้เลแต่ก็เป็นเพียงแค่วันสอวันหลังจากนั้นก็จะมีภูมิคุ้มกันพอไปเวลามีเชื้อโรคเชื้ออะนิมาต์เข้าไปในร่างกัยเราก็จะมีมีภูมิคุ้มกันไว้ต่อยาเชื้อที่เข้าไปทำตอยในร่างกายไม่สามารถจะแพ่เชื้อทำให้ร่างกายป่วยไข้ได้ ถ้าเรามีวาลังค์เศรษฐีเรื่องมียาสุขะธ้รมานอยู่เรื่อยๆายไปทุกอย่างจะไม่ขัดทานเรื่องทานก็เป็นเรื่องเิรษฐเป็นเรื่องธรรมทานเรจะไม่พุกข์อกหักตายต้องตายแล้วเราก็จะได่หนื่อยต้องกอดกันเลยข้างหน้าของเขาหรือของลูกนั่นญาตของคนแล้วก็ไม่ต้องมองลูกเงินคำเงินกับคนคนนั้นต่างไปเขาจะไปมีหนัก็จะเปนอนกย่างไรเรื่องของเขา เราเราหมดปัญหาแนละ้วเราไม่ต้องการเราไม่มีความต้องการที่จะต้องานะอาศเข้ามาให้ความสุดกำลังกับเาเพราะาาเราเห็นความจิงของเข า, าเล้วเขาไม่ได้สียไม่ไดงานเลยมีแตเขาตัวโก่งๆออกมาตลอดเวลาที่ตัวนนทุกตะวานของที่ออกมาก็เรียกว่าื่อนั่นแะห่ะขี้หูขี้ตาขี้มุกเป็นทของตัวโก่องออกมาตลนดเวลา เรื่องจากความหลมทำให้เรามองไม่เห็นหเราทำทเรู้ดีบอกทำรักทาให้เรารู้ีบอกย่งต้องทุกป์ไปจนมาตายเราปฏิบัติไดทุกที่ทุกเวลาขอให้เรามีใจเราประหยัดแเราก็ต้อาศัยที่สงบอันนี้นา ม, มากเพื่อเราจะได้สร้างฐาน้นของความสงบด้วยการทําสมาธิเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังพอที่จะต่อสู้กับกําลังของจิตท่างหากได้ที่คูนี้ฟังแล้วมันง่ายแต่พอเราทำจรนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิจะทํำไม่ได้เพร เขาอยากกรลาสักนี่มันเหมนกระเทียงโดนไฟมันอ่อนแล้เหวอะมันเลี้ยวไปเลยนะขี้ไม่ออกเลยสำรักออนย ไ, ไม่รู้หายไปเลยเหวอะนึว่าเราไม่ไม่มได้มีทายขอความสงบเราจะต้องสุดกำลังที่พยายาก็เรื่องการสุดกำลังมาธนี้เป็นจำเป็นต้องหาที่ตงบหาที่มีเมกหาที่หยุดจ า, างหวะแต่ต้องหางแล้อหาที่กลางตานกลางเทา ต า, ามาา ม, าามัดตามัดเท้าแล้วก็เยูยไปข้างฐานขึ้นมาแต่ถ้าเราจะไม่มีวอลไม่มีโอกาสได้ทาก็พายดูใจไปเรื่อยๆก่อน เ, เดี๋ยวม่ยักจะตัดต่อชิ้นขัดเกลียดัญหนเวลา ก, ก็ยังดีกับปล่อยให้มันไปไม่เดเหี๋ยว่าดก็ทาให้หลับให้นเราได้แล้วก็เราก็คงจะมีกำลังพอที่จะ ดึงใจม า, าให้เจริญมาให้กระววากัาบเรื่องต่างๆได้ว่าถ้าเรามีสิเขาก็ูีถ้าเราไม่มีเราจะเป็นเหมือนปู น, นอะไรมาพนโดนอารมณอะไรมากระทบหนังนี้ก็ไปเลยเห็นครทำอะไรไม่ดีตัวใจนันก็ขึ้นเลยนะมีการพูดอนไรไม่มีตก็ไปเแต่ถ้าเรามีคอยดิใจวว่าพอมันจะไปเราก็รู้เราก็จะได้พยายามดงมา เราพยายามมาพูดโทรพูดโทรไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความเป็นไปได้จะต้องคิดเรื่องอะไรในชีวิตประจำันของเรารับประทานอาหารเราก็พูดโทกับมีการคุยกันขับรถไปย่างรถไปทางานถ้าไม่ได้ผลกาพุดโทรพูดโทรไปมีการดูคนนั่งดูคนมี้แล้วก็ีิจารณ์วิจารณ์อะไรต่างเป็นเรื่องอนาคตการเป็นมนาคตเอ ทำง่ายมากวอเวลาที่เราไปที่สงบสงัดที่เมื่อก็ทำเสลาที่เราทำง่ายๆสามาไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปเรื่องชั่วๆเพราะเราได้เริ่มมาแล้วบางทีจะยานานๆเ้าก็ไปต่อยอไป้ถ้าเราไม่ทำเลยตอนเราไปที่สงบสงัดก็ต้องเรานั่งตั้งที่ส ก็จะได้ถึงจุดที่จะเข้าได้เข้าเข็มก็ต้งใช้เวลาสักระยะนก็ไม่ได้อะไรความกระเจาดำตายแได้แค่นั้นไ เ, เข้าหด้เข้าขอแต่ถ้าลองทาอย่างที่พูดนี้ครับลองแล้ ว, วมันจะกาเ่เวนจะได้ผมันจอเกิดลังในนีจะกรกลมากขึ้น ตอนนี้เวลาเข้ามาก็คือขาดมือถทำไนานแค่ไหนแล้วมันก็หายเร็วขึ้นอย่างนี้เรจะทำดีกรีขึ้นเ่อยๆอเงอรไปทำธรรมะมันก็จะหายเรเรื่อยๆนแรง้นแรงเรื่อเายุดย่องอะ่งว่าจิตมนเาัอาไปันไม่ต้องเียน เรคิดใน่ต้องบริการให้ภาวนาไม่ต้องบลัการให้บริการหรือํารบริการให้เจริญภาวนาหรือสติปัฏฐานันงใจของตนเองไม่มีทเรื่องานี้ตลอดเลยนะนอกจากความจริงใจนอกจากความอยากหรือเอาติดในภาวะใดที่ระท้องใช้รรมฐานจะทํางไ้มันก็จะไปของเราเพรามันรู้แล้วว่าอะไรจําป็นเราเรารู deity, eday, aspberry, ίας, ้แล้วว่าอะไรเป็นเครื่องที่แค่ไหน คือแรงงานคือทำว่าดีเม่อก่อนให้เรามีตัิเลยาเดวเราก็ไม่รู้ว่าเรเป็นใคเาะเามีทางไม่มาคขอท่านนั้นความหยาบหยาเราเริ่มเห็นความสุขเกิดขึ้นแล้นพยายามสื่อแจ้เราแล้วก็เริ่มเห็นเนีว่าตัวที่เป็นแังงานนั่นคือตัวดีที่สร้างความม่หนายสร้างความสุขให้กับเราและตัวที่จะทาให้เรามีความสุขนั่นก็คือตัวธรรมะ ดยสารที่เราทำอย่างนี้เราก็ที่เี้ก็จะไม่ต้องไปไปติดางใครหรือว่าปฏิบัติอย่างไรในการโดยทางที่ยวตงนี้ได้ตอนนี้เราจะทางเที่ยวมีตลอดเวอย่างที่เราผู้บานก็ยตบปัญหาหรือว่าถ้าทางเที่ยขาจะมีตลอดเวลาเท่าไรก็เป็ทางด้าทานมือเวลาเราปู่อยู่ใ่าเดียวนี้ อยากจะมีอาหารอยากจะสอนการทำอยากจ ะ, จ ะ, ค, จะวความทำจะเปความสุขใครเพื่อนคุณก็ท่นทานบอกว่าท่ความทำของทาง่านตลอดเวลาวัตถุทุกท่านอู้่ในทางธรรมตลอดเวลาหรืด้วยจิตด้วยปัญญาเรียขึ้นทำดีหลวงปู่หลวงตาท่านแสดงภาออกมาให้เราฟังมันก็ออกมาแก่จิตปัญญาของท่านนี่คิดไปในทางธรรม ก็จะเจ้าของพงครับก็พลังออกมาจากเมตตามของตัวที่มีสมามิมีสุิมีปัยญาในทางธรรมะแล้วเมื่อเราอยู่ธมอยู่ในใจองเราแล้วเราก็มีสมามีทุกข์มีภูมีอาจาร์มีศาสตร์าสตร์แลก็สามารถที่จะ อาดิการ์ขึ้นก้าวขึ้นไปเร่อยๆแต่ถ้าอยากจะเดินใช่หรก็ช่วยได้เพราะว่าทางกรรมปิบัติที่เราเดินไปนีถ้าไม่มีผู้ที่ผนไปผ่านไปได้มาบอกทางได้หรอเราก็เดินทางได้พาทางนี้มันมีทางนี้ทางแีที่เราจะต้องเลือกเราทุทางทุกทางยังมีเราต้องเลือกผิดทางตัานๆทางไทยก็จะ ก็ติดในเรื่องทานหรือเรื่องสีเพื่ที่จะแก้เรื่องสีหรือเราข้ามสมาธิเร็จะตกในสมาิมีท่านางอย่างก็จะติดในท่านบางางแต่ท่านกุหลาบนคอยเาอนรื็คอยถึงปัลักปัายไว้าทางแค่ภาษาเราะมาถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปทงนู้เดี๋ยวไปทำนู้นนี่คือคุณค่าของคุหลาบาทำให้เราไม่ต้องสียลาไป ไม่เลื่อนผิางเลือนผางก็เดี๋ยวเาจะร่อนกลับมาเช่นวัตถุเจียก็ไม่ได้ไ่มีใครแต่ก็ก็ร่อนผิดทางไปอ <enders. S 1> oh ุจจารยานุส mm ี hmm. 1> 1 um si ่ข้าววัน si ี่ว <ak> ่าที่เหลกอยู่ที่ร่างกายก็จะด้วยการไม่สนองตออาการของร่างกาคืออาารจะออกไสข้าวแล้วก็ทานอยู่แล้วที่เหลกมันก็ยังไม่ทาย แล้วผมพิจารณาว่าเอาไม่ได้ทีในร่างกายเลยทั้งหมดจึงต้องย้อนกลับมาให้เวาในการฝึมาคือตั้แต่ไม่แต่งแตนที่เป็นช่องก็ช่อยาวไว้เคยนั่งจับต้นไม้ต้นไม้ตามลำพังยล้ิรวมมือผ่านไปผ่านไปผ่านไปนุ่งรักษาความรู้ความเข้า เลยมองว่าการฝึกตัวเองจะต้องใ่ให้นดยในต oh, ึกคุ้พาตัความจิตใจแมจะอยู่ที่บ่าปกติเก้าวันยิตใจก็ยไม่ใจยนยังไม่ละายอกความโลความหลงความอยากจใจอจะถอกับถอนกับมาหลับภาวนาตนั้นก็ไม่ยืนเป็นเอนเกาก็ต้องรับปะานอาห เพื men, well, ่อให้ม so, e. ีกำงนะครามีกาลังพอที่จะพอดีมก็ต้งนเข้าไปที่จิตใจเสมดูแลว่าตอานี้ี่จหรือความรู้ความโวรคามรอมอยกอ่างไรจิตใจใจก็ต้องกำจัดความรู้ความนั่งให้หมดไปให้ได้ว่าสุภาพควรจะไดรมัธิภาวนาจิจ้แล้วก็ตัว เด้ปัยาห่ความความลนี้เกิดมาจากอะไาความอยากความโลภความอยากนี้เาก็คงต้องกิดมาจากวงมรว่ารู้ว่าความสุขที่แท้จรินั้นมีไหนอยู่อยู่ที่ความสมบรนะสุขใจนันถ้าเยาที่ทา หน่วยาิาที่ดีๆนะก็ทาเป็น้นไก็ขึ้นไแล้วก็ก็ด้รัรู้ถึงว่าอากลับมาจากพระเจ้าก็อยู่ในอ่เหมื้อทายของโลกไม่ได้สิกายถ้ามีกุมบาอาจารย์การพูดคำนียว่าเอออห่าไปอย่าไปทรมานนกกายให้เลยหรือเวลาจะไม่ไง้มีตรงนั้นเมืนที่แจวตอนที่ได้อแสดงว่ายนี้ ไห่ก็ตามรกต้องมาเปวัากอให้ดูเพี้ยความสุขของทั้งงทางมีการทำลายทางกายลอยเม่ลอยไม่เกิดป่วยเรื่องปมอาห้รหรือางอยู่บนตะูที่ทำที่เป็นขงลียให้เยนทำองางที่ทำนเองลไไม่ได้ทำให้ติดลิบแล้วก็หาปามุ ทางานี้จะม่วิการเพื่อไม่จะทานตะกี้ใช่ไหมกั น, ก น, กนไม่จะทานแล้วทำไมจะถามแค่ความอยากมันมาเกิดควา ม, ม, วามย า, แ ก, ก, ากแล้ ว, ว, นนนลวรู้ถึง ก, กินแล้วมันก็ไปกนินต่อเรายังไเที่ยวสามประเทศไปนอนโรงแรมไปกินอาหารตามร้านหรูๆรานหนาๆกินหมดแล้วมันก็ํามอังนี่เด็กเดกก็ยื่มก็อยากเย็นๆยิงตรงตอนให้ดีที่สุท้งสองอางนี้ แต่กานในไอเก็นทางสากลางที่เรียกว่ามัตสึะสุาทางทางถึงตอนนั้นหรือถึงสนามที่เป็นยาอย่ามกกว่าคือคือทางที่จะพาให้เราไปสู่ความอยู่ทุ่มแต่ความสุดยอดของทางนี้ก็คือจะติดปัญญาด้วยที่านที่ทาให้เจริญที่หวานช่วเวลาให้เกิดเจริญกิจให้เข้าดูการรอจัดแจง ควบคุมกายว่าใจอย่าปลอให้มันหลั่งไปตามอารมา์ต า, างความคิดอะไรควบคุมให้มัสมมนสนะครับเวลาเเกิดความโลความอยขึ้นมาก็ต้องอนนหนักา่ยมีเวลาก็หาที่สบงทสบทให้สจสงให้มากสงากเ่าก็จะมกลังเด็กใจเด็กทมาก แล้วเราบอกแล้วว่าไม่ช้าก<อ>็จะเห็นถหายตายเจ้าอย่างน่นนเพราะทางนี้คม่มีไม่มีลิขิตไม่ได้ทำงานไม่ไ้รับคาแต่ว่เป็นขอพูตปิบาร์ดท่ปนพระทคุณให้ปริบัติดที่เป็น พ, พระบ้องมาลงทีเ่รทเราพราการก็จะเป็นเป็นของที่ตามยงงานแี่เรา กลัวางกกัอย่างเดียวก็ากไม่อยากจะได้ผลนบดถึงตีที่จะต้องทำ้ังก็พอทำตนี้หมดไปก่อนมัน่ได้เป็นได้ขอแค่เชว่าถูหลัก็พอขอแค่ทำเงิ้วยทา ง, งนใ น, น, นุดเดียวมัก็พอถ้าอยายาเลท้ายสองตัวกไมว่าเลยก็จะอมถึว่า เราอยู่ในครอบครัวของผมนะในการงานเนี่ยมันทำไปมันก็เขาแตกเขาไขอยู่เนี่ยมันไม่ไ ป, ป้ปเขาไฟรูพี่ทาให้จา่ใจบอกวแล้วลาทำ น, นานเข้าเราก็ไปอยู่ว่าทักทีมันจะได้ผลดีมันจะหมดเวลาเพ้่อย เขาเอาพกใครเองเนี่ยเยาจะปฏิเสธเองเราไม่ยอมอึดจกเราไม่ยยกกลุ่มจนกลุ่มเดินทาไปเกาะกลุ่มที่เขาฉลาดกับเเก่งกบเราฉลาดมากเลแล้วเขก็ยิงเราไปเองเราไปเกอกลุ่มที่เขาเป็นจินเบ้ยวเบ้ยเลนก็มันก็จินเที่ยวแ่เดียวเงที่เจาอกถ้าหาคนที่ฉลาดกับเราเก่งเราจังเครื่องไม่ได้ก็ตู้อยู่ันนดีก่ คือกว่ากบอนที่กว่ากันเราเรยกกันเราเราต้งาองั่งความงเลเราต้องพูดคออย่างาอยู่ที่ตัวเราเราต้องสร้างความรสุดที่อยากจะทำที่อยากจะปฏิบัติภารท่องเที่ยวห้ได้ตัวหนึ่งก็คือการเข้าหาคุณายใจเราส่งเสียความคิดแต่วา้เองเมื่อความวก็เข้าใจควา แล้วเรต้องอาไปปฏบัตแล้วมันจะเกิดชาติาขึ้นมาเกิดขึ้นไ้เกิดเปรยบึนเมื็ถธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ไม่ถือารรมะที่ท่านมาจากพระไตรปิฎกถ้าเราไม่คุณอาจารย์ที่เราฟังเรืไม่ไม่เกิดศาตทนาไม่เกิดยปรียบขึ้นมา เราทานตบหลับพระพเจ้าอยู่กันนะหรือที่เขาทองก็ได้ดีหรดแ้ก็่ของวทเจ้านือกาจเาว้ก่ก็จะทำให้เากิดมีไฟมีประกายขึ้นถระายใจแต่ถ้าไม่มีเชื่อใก็ไม่งานก็ไม่ีย ก็ต้องมเชาด้วยก่อนอาพด้วยก่อนอยงีเราทอไร่งก็ต้องยอมต้องทำก็ต้องจยอมเราก็ได้ประทารใจจากูอาจารย์เนถ้ายังไม่นุ่ขเ้รืานก็ไม่แสดาอใจงรไม่เข้ดเรต้องต้อนเพด้วยก่อนก็อย่างยังดีก็ไม่เอาเลยไม่ทำเลยใจ่ อย่มามบนมาอนแืออันีที่ตัวเราบนเท่าไหร่บางทีเอออยากฟังเลยคือที่เราทำแล้วมันมีแค่ไห น, ไหนอ่ามันภาพฟังของเรามันติดประการมันก็เป็นบ่ได้เก็แสดงว่าอะไรไม่ึ ง, น, น, ง, งนี้สิี่คำถามผมก็เลยย้อนสิ่งที่เ่านอาจารย์เคยเ่ฟัง ถ, ถึงตัวเอาจารย์เองว่าตอนที่ทงานอยู่เลี้ยงสุกร ต, ต่จากงานได้นะท่นผู้ใช้ ที่เหมือนกันก็คอเรานเดียวแตบพี่ก็ปอะไรเราทำเหมือนกันไม่เชียวมัยาไม่หายู่พอถึงเวลาเรียนจบาถึงไม่ได้กระตือรือร้าเกา่ยกับการทงานงานอาชีพงานหนาทองอะไเราเพียงจะหาอย่างเดียวคืออะไรคืาเราม่ทำแบบนี้เราต้องการความสุขใจนะมันมีชแล้วมันไม่รู้ว่าตัวที่เราทำนันสุขใจมันมีก่อี่หง แต่รู te ah ้วการไปทำารีกวรอยูははにに่ท้เป็นเพศชายก็เลยอาระคดีกครั้งต้องการอานพะคดเกี่ยวสาราักจญาแล้วก็คุยกัคนั้นคนนี้แล้ก็เรียนคนแนะเร่องธรมาใ้อ่ายอ่านง่ายเล่นนิดเียลนเลน้อยเกัดกระจายตัิ่ตัวน้อยจะขอสงที่ต้องมีอยู่เราก็มา เัาอ่านแล้วเาบอกให้ปฏิบัติเขาปฏิบัติแล้วมันก็ลุกเป็นไฟทางไม่ไหวเลยเรื่อออกเหตุออกเหตวก็ไปที่ปฏิบลติก็ไปอยู่หอดฆ่าตายเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้กำหนดเขนเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะมันจะไปทเองหม่เองมันก็ไฟพอาะเราดูแล้วมันมีเชอย่มันก็จะไล่ไปเรื่อย้ ถ้าไม่มีชื่อยแก็ค ต, ต่ถ้าเราไม่มีเชื่อเลยรอให้ใจุดกระจายเท่าไหมันก็มันก็ติดได้เพราะมังไม่มีเชื่อเราไม่ได้บมเรามไม่ได้เห็นทางทาวามีปัญญาเราเราก็ถูกความรู้คร อ, ข อ, อให้เราเห็นดีเห็นชอ ก, ก, ก, ก, กันตันเองว่าเราตองทำอะไร เราได้งานไดการนี่ดีผมดีจใจแต่เราเวลาได้งานเราแบอเราแบวาต้อไปเป็นทาสเนะต้อรับใช้คนอ่น่าทีก็ต้องทำงเพราะมันจาเป็นเพราะาต้องมีค่าของที่ตองมีเน่ยก็ทำ ล, ลยที่ต้อรองที่นะตอนที่เสมาใหม่ๆก็ทำงานเย้ะติดตัวมา ก็สบายสะาหยุดไปได้ปีงี้ไม่ต้องไม่ทํางานแล้วก็หางานเจอะก็ไม่ได้งานที่ถกใจก็้อเราแล้วก็เงิจะหมดก็เลมีเพื่อนเขามามาออกแบบร้าายไอตีมอุตสาคถามว่าเขาีอุต้าหะปล่าเราไม่มีเราาตนี้เราเคยงานได้ปีมันเแล้วก็แล้วก็คุยแบบก็หลักขึ้นเจ้าของ เราทำวิญาไปดีว่านั้นเราไม่เยอะเราเอาเท่าที่เขาให้ตามแรงเานั้นกันพกคนที่เราทางาน่างนี้ขาให้เหละนนี้วิวไปเช็ดเดือดนละหนึ่ง่าอนนัก็บอกเขาจ่ายกว่าสามห้ามาพอได้ดีที่สุดละที่สุดละแล้วนั่งพยรือสามทางผ่สามสิบกิแยไม่ได้เที่งเกาหีเลยีเยียดเ ก็เลยต้องทำเพราะว่าเราต้องเงินอืมก็เลยเราต้องงไม่ได้อ่ยนทำให้าไม่เราต้งเปลี่ยนทำามาพอทำได้แค่เดือนสองเดือนทำได้เนนากอาแล้วก็อาแล้วก็งานได้เดือนกอลาอกว่าีก็กลางเดือนเพื่อนราะวาเราเราเปี่ยทางเราเปี่ยนงที่า ก็ารางงดเ็ได้สี่ห้าพันงินแคได้กิพอทุกสาจะไปตลาดกิน้าวมื็นม่อสมัอนเนีไม่ถึงจิดหรอกก็อยู่ได้กินข้าวมาทำงานข้าวทำงานกินข้าวี้วแดงจานสามบาก็เดียวกินองจานกี่ยู่นด้ เรื่องรจะเป็นพละการ้ากๆเลยต่างจังหวัยังไม่ได้ที่ไหนที่จะไปนาทำโปรเขกต์้ัวการเวลาว่างจัดการจการดีนี่นานไม่น่าเลยทำงานก็ทำดียมในบ้านมีทุกแถวห้องแถมีห้องเราไม่มีใครอยู่อยู่คนเดียก็เลจะมีรักกันในตัวเราอยู่นบ้านคนเดียวหลับในบ้านคนเดียวของแถมมัก็ยาวเต็มเลยโอเคไหม งาจะถึงเาบนเงินเดือนก็ย่างย่างเงิน <that> เือ okay. ก็อไคามว่าเราสนใรือ่างานแทบที่ก็ออกไปข้างนอกทั้งปีเป็นเงินดีเงินดีมาดูเขาท้อไม่กต่กันเอยากจะไปทางจะไน่าสายตาถแค่้งาแม่ออกมาพอตอนตอนเยนก็รู้สึกมานน่าเสียดายพอตอนรอนก็รู้ํากแย่แเื อันนี้นะยัอีกแต่คิดว่าเพิ่มข้นกหลังให้เขาจะทำยุ่ m ยากเนของทำงานที่ตเก็บเงินตีเงินมาเที่ต่างประเทศได้ให้ร้อนเนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมี็ต้องมีนะไมต้องมีงางา้นหมด้วาจะต้องเงแล้วทง ถ้าถ้าไม่อยากหลวดก็ต้องไปทางานถ้าไปทำงานก็จะไม่ได้สะดวเที่เราต้งไม่อยากเป็นโวยนึกถึงว่ามันจะต่อกร้างอย่เดกันถ้ามันกลัวถึกจับเข้ากรงเวลาปวดไ่ชื่อเหมือกับถเข้าทางเข้กรงแต้วามปวดนี่เราสามารถทำอะไรไไม่เป็นไรเราไหนก็ แต่การคิดการ a ิดงานันก็ไม่ได o ทางนี้จะคร่ไหมครับพราะฉะนันเ้องประมกับเนือการทำงานอื่นถ้ราบวบ่ยายามหที่หาลัว่สมบูรณ์มัก็ตั้งใจว่าบจะให้นของเดียวนจนไม่ใช่ม่บวชเที่ต้องมาครให้ เป็นวิญานวที่มการตวจคือติดไมหสรรพงานตรวงานดูตจะไม่ทำต้องปฏิบัติเรืีาพดยนงท่านที่กาศมีความหมยใั่ไปทางน้าว่าใ้ใจวกับเรียายาที่ว่ามัม่ยาเวลาให้ใจมีประวัติกับคุณอรย์ จะดูดสภาพที่เราามารถเกล้ยง้ามาก็เลยต้งทำอย่ารงจะมการเพิการดูบไดทั้งให้ให้เหลือากหรือว่าต้องให้อื่นกับอาวุธที่เวาถ่ายจาน้แตท้งวัดของเราทยังไงางการตรวจที่นั้นก็ต้องอยู่นี่เป็นเรื่องที่เหลที่สุ เราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยจะเกงานไม่รู้จักหายไป <laughs> แล้วก็บุญกพาไปก็ได้เจอคนเด็กเด ก, กันได้แล้วก็เนจางบวกแ่งกันได้แล้วก็บุญก็พาไปให้ได้รจักวัดป่าเราอยู่ที่ละเมอวักันอาู่ท่าป่ากรุงเที่ล้วบวกแล้วก็เราจะไปที่วัดป่า เราให้เวลากันนะแล้นี้รองสีเท้ารองสีเท่รองสีไล่มาจะล้างตาแล้วก็ไปวันตาก่อนระหว่างไปลาดกันเรื่อยๆู่นะว่ากป็นเราเข้าไปในบานล้างแล้วก็ไม่ใส่อยู่ทำ ง, งานก็เข้าเพียงหรือเข้าห้องน้ำไปดีก่อน เวลาท่านมาแล้วต e so nah, ้องมาเตือนก่ลยตอนที่แตกอมา3ปี2ปีอาจจะต้อง้เาทบียบยร้ออะไรท่านีย่นพอกลับมาแล้วไม่ไม่สี่เดืนตอนนั้นแค่สี่เดอนหลังจากทเอาสเจ็ก็ะมาเกี่ยงอีกแทนอ่างน เมื bạn, ่อหลายที่วันที่ปลายปีถังเจ็ลยเหนื่อยข้นเรื่อยมาจนเป็นแบบนี้เจ็ด้าาี่ปีอะไรเวลที่ก็ไกลางรื่มีแรงท่าจะมาเกิี่อื่นแล้วกัรีลัที่ตัวในเราก้องทนท่าอยู่ที่ตะเกียสนปา ก็ต้องไม่ เ, มมเป็ น, วปนหวัดเนี่กเขาดว่า ม, มนนันเป็นทางะครบ้วเไลงมไม่้หนติดใจมันก็ได้หวดแล้วแ่คียง่เอนอะตอนวดที่ฟังมนหวดมีจมรอบกลับมาทากระเพาะแรชื่อมร้วมีแดหย ไ, ไ น, นอนามงานคืนวันถึงานี้เลย ใช่วงนี้ไม่เคยนำอะไที่ดีได้บางวัาแล้วมันมันไม่ที่จะเป็นไปได้มันคิดจะเข้าไปนะเข้าไปลึกที่ถึงมันถึงคั่วถึงแกนเขอาไว้ใจเลยที่อยากไปอยู่เขาอยางไม่ดีเขาเขาไปขอแงกไม่ได้น่าจะให้น mm ั hmm. nearby, ่งพูดพอไปแล้วก็ผ่าน แล้วก็เหลือแต่านอ้างว้างตาวเปียวเหลือความเอความอึด้งไม่ได้ไม่ได้ดับไม่ได้ทให้อยุดไม่้ทอนแต่วิ่งเข้าใจิในใจิ่งแรงยิสุกยิ่สบ่งม่นคงยิ่งอดภังสบนที่เธอในันนี้ดูน่บงเ็อง้ทก็มันก็ยังด้สงบค่่ทางว่า ค่อยๆสงบมันก็ไม่ถึงกับลงมันคเป็นแล้วว่ามันรสึกสงบสงัเย็นเฉยๆตามนิสัยของใจทานออกไปอไปหัเข้าไปหลัาไปงมันก็ได้อีนะ้พอนอนหนึ่งมันนั่งแล้วมันเจ็บปวดแล้วเราก็เกิดเครียวงุจังเลยในดันในคืนเราก็พังงานาเราบริกรรอารมจงอารมณ์แจงใจไม่เชื่อมไม่เชื่อไม่เชื่อมไม่านก็สิสองสามนาทีมันมันับไปดเลย ความติดตัวองการาองนั่ก็เยกิดความตขัดวลงมากระจายขึ้นแต่ว่าใจไม้ดีดีเขาพิชิตักหน้ามือเปล้าเลยนะจับองพลายจับติดจับติดจับตมาร์ทโแต่ไม่ได้ลงอยู่งานที่ก็เพ็เพื่อค่เ่อนคารแต่มันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อมีทางการมีทุกทางมีทางผ่านทานีท เป็นแบบมีแ่คอแบบแแรให้ติดางติดทา่านั้นก็กระชากไได้นาน้นนังติด่นี้ทางไปเรื่อยมันก็ไปเรื่อยๆเราไปกับเราสลับการเวลาล้วไม่ั่างถ้าเราเดิน้เราหลุดในทางจนอนไปพ่อี่เจ้าทางร่างกายก็จะแก่ติดกัน การต่างกัทุกอย่าเนี่ยเป็นเร่องอพอพออยากจะพูดก็นั่งทำทุกอย่างนทำไปเนื่อยๆเสียงก็มีทั้งปัญญาและสุนทรีก็พูดไปอย่าทาแต่สมาธิเดียวหรืาทำแต่ปัญญาเดียวต้องช่วยกัน อาจารย์ต้องบอกว่าสมาธิสัญญาไม่มีทางข้ากับ้าขวต้องสลับกันเลยถ้ามีขาเดียวที่มันต้องถอยไปตลอดไปก็มีสองข้างที่มันเดินก้าวร่างเ่อะหก้าวข้าวขาข้าวขาแล้วก็ยันเรนต้องก้าวไปกับใครเราช่วยสลับกันเองกันสมาธิจะช่วยสอนกัญญากัญญาในทุกส่วนเลยนมาธิ ใช่จังคาเอ่อตอนที่นั่งหาสมาธิฐานนั่ไปะเภเนี่ยเรื่อง่วงง้อก็เป็นใจจงรงใงคงก็เบือหนีแต่ยังไอย่างนั้เราก็เปลี่ยนมาเป็นที่เป็นราท่านสอนนาเร่องการรับใจย้ายใชหมคือแม้ในพร้อมศีลก็ยัง่วงอยู่ก็ไม่เป็นก็คิดไ้เรื่อยางนี้ แต่ตัวยามันจะความว่นไม่หวแล้วกรทยังก็จะเล็งเราไปนอนไปอยู่ที่กลัวกลัวกราไวู่ากัวไม่ไกลัวกลัวแล้วต้องออกมาทำกูเลยกลัวหนั ไม่เ อ, อาความโกงมาตอท่านไม่กันการสู้กับกวรนาความเจ็บปวดอะไรเงี้ยงทีเราชนางทีก็แพ้แล้วก็สู้กัอยู่นี่ยนะเดี๋ยวใหม่แล้วเดี๋ยวมาสู้กันาวันนี้ก็แพ้วันนี้ชนะมัน่ะบหลับกันไอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่เังไม่หมดได้ีดลเ่ยคุณ่ายับอกว่าคุณท่าันเองมันดับไปในทีนึนขีแล้วหลงหลักใหม่เนียหลังเลี้วยวๆใช่ไหมครับงกันเพลของสมาธิ ก็จะไม่ให้มันมาหรือมันมาแล้วมันไม่หวานหวามันมต้องมีอุบายหอห่ออหหอาาองปัญญ า, า, าเพืาาา่อพิจารณาไปแยกวิธีการให้ออกแค่เห็นว่ามีวิธีารสองชนิดวิีกาทางกายและวิธีกาทางใจตัวที่ดูแนก็คือวิธีการทางจที่เกิดจากความเรื่องวมกอดกันขงจลาที่เราเจกับความเจ็บปวดข้างหน้าค่ถ้าเรามนับดับได้ความเรื่องกกก ว, วองาาอกอด ก, นกันของของใจและนาการจะเด็ดางเลนก็ไม่ได้เป็นปัญห นยายามชดเชยให้ได้สบายเราต้องกลับไปตวตัิ่นานด้วยการปล่อยด้วยการปล่อยวางใจยธรรมะให้เราปอให้เขาเป็นยังไงก็คงแต่อะมีเงินของาหมดรมะนักจารยัญาก็เกก็เป็นอณัตตาเหมือนก็เกิดขึ้นตั้นอยู่แล้วหนักปเาอยากไปดีๆน้อยกระทังตื่นใจเราจะเป็นดีกับวัเ้นธระแล้วเราก็อาไปังจุดทุกขเว้นธรรม เรกิดก็เวนาก็เกิดอาการคือวนเวลานิยมวนขัดขันเวลาเกิดทุเวทนาเกิดอาการรักเสียต่อที่เอยู่ของเราเวลานานพอเป็นจากองไปก็เกิดพอจากดุวทนามันเป็นไม่ดุไม่ได้งทานขึ้นมาแล้วก็รู้สึกจตชื่ิให้สักะเรื่องหนึ่งนะความสุขเพียรเ่าเรืองทำใจให้ดีเชิ แพทเลี้ยงสัญญาท่านสาวีเข้องานาองเขาเองกขาใ่าไม่เลยเหมือนกับลมลมเ็เดยพมาพักเขาพัมาเขาจะหยุดพกก็อดไม่หยุกันเราไม่ต้องไปไปยุ่งไปวุ่นวายไปเรื่องของเรา่องร้นก็ไปร้องไปเย็ลมพักมาเย็นก็เย็นไปแล้วดนั้นแต่โที่สำก็คือควาใจเย็นใจเย็นแล้ว่าอะไรจะร้อนขนดไหจะร้อนขนดนก็ไม่ถึงประมาณนี้ครั ถ้ามัขาใจแบบนีแล้วมันสามารถรักข่าจให้เป็นเวค้าได้คือมพิจารณาแล้รมันเข้าใจแล้วว่าโอ่ที่การไปไปยึดติดกับเวทนาทางกายก็ต้องบอกเมันจะเป็นยังไงก็ข่าไปอผ่านได้น้มันก็เบาในใจนุ่มสบายการหายใจไห่อเราคือไม่สามารถ เกิดติดลมเปนึ่งไรเพราะเราไม่สามารถหายเมตตาไปได้ใช่ไมันจะไม่สายถ้าเราเปอนมีตัณ์ที่ดีบางทีเรื่องเราเปาพุทโธเปนห้านาทีอย่างของที่แก้แค่นี้ก็หลดเราไม่ไไม่ผ่านกันนั้นไม่ดีมันไมเกิดตันยารมันจะเป็นมันจะไปในทางสมาธิจะเป็นอย่าพวกพวกเข้าฌางพวกนี้พวกอาจารย์ของอาจารย์เขาก็มีตัณฑ์ดเขาก็ สาํารถทำบุให้อยู่กับอารมณ์ใารแล้วก็รวมรวก็สุชาติได้แต่าขากทได้ใช่ไหมแล้วทุกร้าเวลาเขางานก็จะไปทำอย่านี้ออกมาแล้วจิตก็จะเป็นปกตินี้ก็ไม่ได้นั่เราไปสัมผัสอารมต่างๆที่เกิดความโลกความขัดของอะไรอย่างเี้ยไม่ได้อย่นี้คได้ไปอยู่ในขั้นขอนี่่อไปอยู่ในขั้นของสมถะไม่ได้เข้าสู่ขั้นควาวิปัสนาเล การ้าส่งเา่แบบาต้องใจร้อนใจมกในเรื่องของฐานะเรเรื่องอะไรอางฐานะนี่ยต้องจะาเห็นว่าเปการทุกท์างด้ตามและวก่อนวางเพราะการ่องเขาการจะเรียนจะจิตจะตายก็ก็ปล่อยไปาจะไม่ได้ม่ได้ปล่อยปากเราเอยนท่องเมื่อจนเป็นระออเขาที่จะตั้งแก่ก็ตงแก่ไม่ไปพยายามแก้ไขใางเป็นจริยกรรมอไต่าง แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บรักษาได้ก็รักษาไมีลาี่ได้กมีเวลาตาก็ตายไปเกี่ยวการเวทนาเนี่ยถ้าจายก่อนมาเวทนาความเจ็บของรางกายมันก็มันก็เข้ที่าไ้องแสดงัวเองม่เรงนี้คือเราเรเจ็บปวดเี่ยเกาควรเราใช้พิธีว่าไปหาเบอนุ่งมันนั่งให้มันสบายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาใช่ไหมเวลาไม่ได้จมันมันมันก็มัเจ็บสุดค้ายจริมันเจ็บทีจใจไม่ได้ไม่แก้ได้ไงใจมันรื่อโดนปล่อยวง มันอยากจะให้หายอยากจะให้ห <c oughs> ายเจมันก็จะมันก็จะกำพังเพลีย้ยขึ้นมาต้องดูใจ <c oughs> แล้วก็จ็นกัเจ า, ารา่างก า, ายเขา้าร่างกายตายอยอะขึ้นห <c oughs> ากนตายวิตายพความเครียดมไม่ได้ตางเราลก <c oughs> แต่ถ้าหายใจสมบรณ์นที่ภาวนาเป็นก็ได้ทำนอกองจเนียเขาไม่เครียดกับร่างกายร่างการกยรับฟื้นเอง คู่มั่นในการลองตั้งกัอยู่ที่ทำบริการนั่งท่าสู่ท้องมากๆเครียดหายยากินกินแล้วกินอีกทำไมหายจูดสักทีด้านฤทธิก็ตัดยาชิ้นไปอย่างสภาวะทิดให้สงบแล้วก็ปล่อยให้เวชานามเป็นไปตามนิ้วองมันพอได้รั่อยเวานามก็ปิดนก็รวมแล้วก็สุด้ายนเพราะพืงานโคนียแสงว่ามันเกิดจากทางเครียดใี่ไหมทางเคียดทางกังวล ที่กดทำให้งาการไม่สามารถทำหน้าที่ของมันคือตอบร่บรักษาตัวเองในในธรรมชาติเพราะทางเส้นใดในทำตัวในทาให้เงินกับเป็นเป็นหลักมากขึ้นขึ้นพอไม่มีตัวนแล้วรับการเงินหมดนี่หรือแฉก็คืออย่างเรนไมากพอมาแล้วกเหมือนกันไม่ม่เกี่ยวข้ามได้ด้วย มีงอย่างท่านบอกมันมาจากความเครียจหือต้นนี้หมอขาองก็ไายฟังมีพระไหาไปหมอตอนนี้หมอตรวหัวแล้วใเ็นอะไรม่รู้หมอเขคิดแคว่ากาก็กไมเลยก็ไมก็ไมถังจะถี่จนมันพอผ้าอองเสรกจแล้วก็จหัหายเลยเสพตนดปวด เย็นเย็นเราทำถึงก็ไม่ทำอะไรตามใจเราเลยนะถ้าเราเครียกันแล้วอลุดมันยิ่งออกแรงถ้าเรารวมช่องนานแค่แต่อย่างนี้ไม mm LIKE ่นานเขาเครียดเขหมายห้วโลกมาจะเข้ามาหาอีกคนโลกกันก่อนทำเองก็ทำค่ะมันก็เป็นอ่ารู้สึกเหมือนจะวัดเลา คืเวลาปฏิบัติมันยึดกันนะคะพี่หยันอย่างีานเนี่ยเรารมความเช็คในสรนะว่าเขาบอกว่าาทงานดีเราก็ยิ่งอกทมันดีแล้ดีแล้วเราได้ทีนี้พอเริ่มมาฟางธรมก็รู้สึกว่าเรื่องพวนี้เน่มันเป็นเรื่องที่ไม่เระโยกแ้ก็ ก็ตั้งใจจะปฏิบัติมากขึ้นเมื่อประกอบในที่ทำงานต้มีความรู้สึกว่าเรานั่งทำอะไรแล้วเราก็ทำให้ระเบียบใด้เลยมันก็จะเดินจากไปเดินกันมาแล้วก็ถ้าเลยความขอยปฏิบัติลงมานิดนึงโลกมันก็เข้ามา้า่งเติมไฟก็ขอยโลกแล้วมันก็เลยยังข่อยไปข่อยมา คือ<ม>ถ้ า, า, าราอย่างทั้งเลาอยู่เพื่อขอให้เราทำให้ดีที่สุดจะไม่ได้ทำเพื่อการสำเร็จ ไ, ไม่ได้ทำเพื่อผลตอบแทนทำเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเพราะการทํำงานเพื่อความตั้งใจเพื่อ ส, Calm, สติเพื่อธรรมญาแลนจะทำอยู่ในทางเโลกมันก็ได้เครื่องตัวเดียวกันได้สติตเดียวกันธัรมญาตัวเดียวกันความตั้งใจตัวเดียวกันซึ่งก็มีความจําเป็นต่อการการปฏิบัติธรรมด้กัน ยังข้าทำงานอยู่ตรงที่ผลตอบแทนั่นอเองอถ้าเราเปนักปฏิบัติทางมาทำทางเราเวามาทำเ ว, ว, ว า, า, ร า, เ, ร า, รารเราได้หวังผลตอบท่เราไม่องการการเฉลี่ย่ต้องการอะเลต้องการความสุขใจภูมิใจที่เได้ทำผลงานที่ดีเราิขึ้นแต่มันก็ยังเป็นหรือ ค, ความความภูมิใจมันก็ยังเป็นความริกยาความที่เราได้โ น, น, น้มนเา็นทาง นั่นเราเป็นคนที่เกิดจากการทาความีที่เราเสียสละรื่องนี้นก็มีความพึงใจมันเป็นคลที่เกิดจากการทาความนีไม่ได้เป็นที่เราคุาแ้แต่ากกา ง, งขึ้นมาเองมันเป็นผลที่เกิดตามมาจาการรประานอาหารารประทานแล้วกเกิดความดีมงมท่งนางกายเาไม่ด้เป็น่เมื่อผลตั้งเกิดขึ้นเนี่ยา hungry, ทาไงจะไม่ได้ใช้ใจไปตามเนี่ยมันเป็นความดีที่เกิดขึ้นเ่าเนี่ย มันจะพักดันให้เราเหมือนกับมีคนมีกำลังใจยิ่งทาไปอีกแต่ว่าความสําเสริญที่มีมาถูกเราเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดพยายามสรง<ท>างสติให้่อเวลาพยายามมาถึงก็หมายถึง hmm. ว่าเป็นผลคอยได้คือเราทําที่เราไม่ได้หวังควารชำระนิสัยการเราเราต้องการความจำในหน้าที่การงานต้องการให้ผลงงานที่เราทำมานี้ยออกมาดีออกมาถูกต้องใครจะ ทำเงินเร้าไม่ก็สุดแคแต่พราะคนที่เราไม่สามารร็จมีที่เขอิจาร์ุสยามก็มีแต่เราไม่เราไม่ทำเงินเราไม่ให้ถึงนีไ้ไม่ถึงเปานอะรอเราคิดว่าเมื่อเรายังมหีหน้าที่ในหนาน้าที่ในการทำงานของเราดีเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนกับค่าค่าเงินเดือนที่เขาเราเขาจ้าเร า, าม า, านเนที่เราท เราไม่ได้หวังว่าเขาจะให้รางวัลเราชื่นชมเราประกาให้ประกาศอนไรนแต่ถ้าให้เราเมื่อเรายังอยู่ในโลกอยู่แล้วก็รับเลยเมื่อมราร ย, ยาคือไม่ให้เสีมายมารยากไม่ให้เสียน้ำใจเหมือนากที่เพื่อหลายีตรงถวายท่าแค่กับหลวงตาก <c oughs> ็ตรงถวายให้หลายั้งอยาไม่เคยลืมแล้วได้ข่าวว่วาก็ดท้ายนี้ไปไปกลาบไปอ เวลาทำงานให้เป็นนักท่าเป็นใแต่ถ้าไม่ได้ทำความดีเพื่อที่จะรับพัศเยเพื่อกำหรับกันเช่นนั้นท่านมีใจไดแต่เมื่อเรายังอยู่ในโกที่เขายังถือเรื่องรักนุสสารเส็นศูย์เรายังถือว่าเป็นการขอบแทนการทำความดีของคนไม่คมฤทธิแล้วก็หตุนี้ไมคนที่เราต้องรับแต่เราไม่ได้รับได้ความดี รับมารับก็วางไว้ก็จบเพืมาให้ทุกที่เขาให้มาเที่ยแจงแต่ขอที่เราโยงถวาไมเรากินหมดที่อย่งน้เราะเรารเ็เสียวไม้เราเรากินแค่รากินแค่นี้มาคลองนี้ตอนคนที่จะถวายเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ความสุขรับก็รับไว้เพ่อใมีความสุขแต่เราอยาไปสู่กับสิ่งที่เรารับก็รักถ้าเสุขกสิ่งที่เรารับเนี่ยก็แว่าเราเป็นสุข เพราะถ้าเกิดเราไม่ได้รับคราวหน้าเราก็เสอชีวิตเก่าแล้วตอนนี้ที่ยังผิดควอนตอที่ยังหักหักอนก็คือต้องคอยมองไว้ว่าเรารู้สึกยินดีกับชีวิที่ได้มาหรือไม่หรือเดีใจกับสิที่เราเสียใจหรือไม่ก็เราควรจะไม่มีกรคิอคุยกันทั้งสองย่างไม่ยินดีไม่เสียใจแล้วได้งาก็มเีใจเพื่อเกิสติง่ายๆวํางานทุกนาทัเราไป มันจากไปก็ดีเราจะได้ไม่ต้องมีภาระอารมณ์มากไปที่ผมนี้รับใจเราก็จะความหมายของการ็จะบับใจใี้อยู่ตรงเพื่อให้ใจเป็นเด่นขาดทั้งหมใใจไม่ไม่ยินดีก็ได้ให้สมบเได้แต่ไม่ใช่เฉยเมยไม่เฉยเมยนะ เพรา t นี่จะให้ไปต่งงานกันก็รอนร้อนขึ้นไปถาเราบท่านเป็นเฉย่้ในใจจะอกแต่ถ้าเนถ้าไปดูในทางจริงจะโล่งจะว่างจะเบาะหัวละ่ายไม่ตวงไม่ติดกังวลกับผลที่จะออกมานั่นไม่คุ้เป็นมากนักก็เฉยๆเพราะมันเป็นเรื่องของอยู่ในโลกนี้มันก็ร่ายริษั็ต้องสันกั ทุกคนต้องสําผัสเดียวกันส่วนที่จะมาแล้วส่วนที่เสื่อแต่คนที่หลาดได้จะเหมือกับตาที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ที่ลาเด็กน่าจะไม่แงทุกหมันอาจจะแพะเล็เลนรอบรอบนอนตาเด็กแจะไม่พุ๊ก็ไม่ให้ให้หลุดเกี่ยวคอได้ในในราด้วยแต่รากตัวที่ด่างมาเพื่อเพื่อรักวันยุ่งวายว่ามาแต่รุแต่ก็ไม่ได้ใส่พึ่งตาสายมัน ไม่ได้มีความสุขกับการที่ได้ ม, มาถ้าเราไม่มีความสุขไม่มีความยินดีเลยมันย่เวลาเราตายเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสียใจนี่นคือการปฏิบัติตามโลกธรรมถ้าคนมีตรงได้จออะไรก็จะพูดเหมือนกระปาที่พวกเกือที่ติดอยู่ในปากพอกระจารออกมาจะร้องห่มร้องห้โวยวาย เ น, น, น, ใ น, ในี่มันเลยวุายม่จบเลยคนชนะก็ดีใจคนแพ้ก็ัวยายไม่ยอมไม่ยอมงั้ตああ้องใจต้องติดตัติตเองก็ต้องกดจิตให้ทานที่เรายู่นสมาธิแต่ถ้าเราต้องทาให้มันได้ในขณะที่ไม่ยั่งนทำได้ก็ต้องอย่ปัญารู้ชันเห็นหนตัดเองทำมาหน้าต่างแล้วก็ปอว่า โอ้าองที่ยาไี่ใย้มาไม่ใช่ของเราเนี่ยอยู่กับเราเดียวมันก็ไปฮะเดี๋ยวเราไปแล้วก็เล่าทุกเนยปด้วยเราตัวเปล่าเราขายตัวเปล่าท่องคาถาที่ไว้เหนื่อยใว่าเป็นดีแล้วก็ยังตทองเบียานะฮะแต่ข้างในมอนก็ร้อนอยู่มันไม่ใ่เบียคาที่แค้จริงมันแค่เราเป็นการคิดเป็นการว่าเราเดื หยามเท้าวางในี่จะข่มมันดีเสยแล้ว้าใจมันจ ะ, ม, จ ม, นจะมันจะข่มท่าก็ทะละโดยอุบายแห่งสมาธิโดยอุบายอันยาแต่บอกว่าสอบนนี้จะไม่จะไม่ดีดีไม่ดีลแล้วทุวกกันก็นเลยต<ข>ายงกันหมเือนกวาทุกนี่าเราก็รู้มันทุกข์หมดอย่างแไได้ เราไม่ทำมันเวไาแล้วตั้งงานแ้แต่เรายังไม่ได้ตั้งนะเรายังไม่ได้เครื่องไม้เครืมือของเนี่แต่ถ้าจางเป็นหมาสิหมาปัญญาเนี่มันอยู่คู่รับกายตลอดเวลาพอมันโผล่มาพักก็พอนี่เลยหลับไปเลยทั้งนั้นเลยถ้ามันชุพแสดงว่ามันยิงแล้วที่ถูด ก, ก็ต้องเอาสมาธิปัญญา เราพิจาญญาเรอเพื่อที่จะตดของละไได้เครื่งเคื่องตัวตนอไรตัวนี้อารมณ์ตัวนี้สติเวามสติเรื่องเราสามารถจะเจริญได้ตลอดเลยหรือไม่ไม่เป็นจะต้องแปลว่าอยู่ที่ไหนยังจะเจริญได้ในใจนิสัยเราไม่ชอบเจริญมอนก็เลยติดนิสัยไปพอเต็มขึ้นมาก็ไปตามพานลงตามความคิดจ้กดังไ่รู้เรื่องอะไรก็ทำาะไรตามที่ไป คิดไปกระทำล้างหงายล้างตาไปแต่งความไปแต่งเยอะแต่งตัวไปแล้วเอาคิเรื่อยคิดเ่ยเนยจะอยู่กับเรื่องแตตัวเลยเรื่งจริงคจริงนะอาจารย์ก็คือการทำงานกัมันอีกคู่กันไม่จงแต่เคยมาก่อนไม่เคยเกเพราะว่าเราที่เรตัวนี่เราก็ก็เราก็รู้แล้วว่ามันไได้เป็นการติ เป็นการมีการเป็นการรวมเขหรือการปฏิบัติเพื่ปลอคามากกว่าแต่ตอนน้นนั้นเนี่ยเราก็เคยึิดอยู่ว่าก า, ารบวชนี่มนก็เนเห <c oughs> มับเพื่อไม่คี่ว่าจะจ ะ, จะบวชแล้วมีอนะไรคือคือตอนตร่มที่เราปฏิบัตินี่ก็ไม่เคยคิดว่าจะบวชที่ว่าเราสา ม, ม า, า, ารถเป็นฆราวาสปฏิบัติไปแล้วอยู่แลวมีทางเดิน แล้ก็เป็นปฏิบัติไปจริงๆมันเริ่มเห็นว่ามันขาดแคลนชีวิตของเขาแล้วว่าขาความเพียรอวามผิงนี้กันการยกันไเมื่อม่้ปฏิบัทงานแด้มันก็ไม่ก็ไม่ได้เห็นีว่าการไปดวนนี่เป็นารไปติดคกแต่มันก็ยังยึดยึดเลือดหยุดเงินมันก็ยังไม่อยากถ้าสมมติว่าช่วงนั้นมีงานเลื้องเนี้ยไม่ไวไม่ต้อไปทางานตลาดจะไม่ดวนใชไอาจจะปิบัติเป็นคาราวานไปเรื่อย แต่ก็จะเป็นเงินเนทุนเสียมากกว่าผลดีเพราะหนึ่งเราจะขาดเาจาเราจะขาหมู่เพื่ออยมู่คนนี้แลวเราเองมงทำให้แสบยงไม่ไม่เส็ดพอที่จะสามารถที่จะพาเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ยิ่งไม่ดียจะรลงสิดอยู่กับเพศคาราลาเนี่ยอดีตมาที่มันี่ถึงนะาอนที่ปฏิบัติธรรมเองในเรื่องเพศคาราลาเยงแสดงว่ายังสิดมาก มันผ่านด้วยตระสบการณตัวเองตัวเองก็เคยที่ ม, มีมากล้วแล้วม่าบวชนะเราจะเห็นคุณค่าของมนได้เห็นคุูอาจารย์ที่ยอดิเศษเป็นคมมูกคลังพันธุ์ได้ผลที่ที่ดมีมันช่วยได้เยอะ พแต่วันนี้แหละพวกผมจะเป็นอยู่สภาพแบบจะอยู่ค่อนข้างจะก้าวหน้าลำบากใจจะลาบากงานนี้ถ้าเกิดพระพุทเจ้าเนี่ยท่านตกเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้ไม่ได้ไม่นก็เมือนทพุทธเจ้าของเรางั้นแตาท่านไม่มีผู้สอท่านไม่ได้สอนท่านไม่ประกาศสอนเองแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เออตามตามคพุทธเจ้าศึกรู้เอง ก็เหมือนกับพระพุเจ้าเรเนี่ยบำเพ็งปฏิบัติเทิงก็พระพุทธจ้าเองแต่พอพอตัดรู้เสียน้ำไม่ประถางสอนก็ทำคำสอนแก่พวกเดียวดเช่นพระพุทธเจ้าเราบางครั้งก็จะเป็นพระกสิทธิ์ของพรุทธเ้าทรงมีวามพ่อพ่อไทยแล้วมีเท้าหาของผมมาเราทำงานให้ให้ให้โปรดเมตตามตัดโลกให้ให้ให้โปรดทนคือยังผู้ที่สามารถที่จะรับคาสอนได้ ตานที่โครงการรูปใหม่ๆนี่ตอนที่ว่าทำนี้มันยากกว่าสโลกที่สามารถนาไปปฏิบัติได้แต่วทั้งๆจากนั้นได้พิจารณาก็ยากแย่เห็นว่าคนในสี่คนพวกจะหนึ่งโวีรอกโวจะมีศรัทธาและสามารถรับรับประโยชน์ได้เ็มที่กำรแล้วก็ไปจนถึงพวกที่ไม่สามารถรับได้กตัวอย่าู่ที่อยู่โบโบอยู่ท้ายนั้นโบที่อยู่ที่แกรดี เพราั้นถ้ากไม่ไม่สองเนี่ยท่านต้องเลือกสออามใจรู้ามพวกพวกที่รู้เร็วทางคนเดียวข้างเดียวของทางก็บรรลุญาณ่างขั้นที่ต้องสออหลายๆคาขั้งหน่อยแล้วพวกที่อยากมาก็ได้แค่บำเพบามีไปแค่นี้ไไก็อยากมาไให้เขาบเพ็งและเกิดเวทนาเขาไปเจอพระพุทธเจ้าต่อไปเขาก็จะได้มีมี จ, จะเวียงพอที่จะที่จะบรรลุญาณในในอกค์ขต่อไ แต่พวกที่ปฏิเสธเรื่องโกสวรนค์ปฏิเสธเรื่องการเรียนร่างายเกิดเราจะเห็นว่าสุนิพานนี่พวกนี้ไม่สอนไม่เสียเวลาวเราพูดคำเถียงคํำไม่ว่าจะไป้องได้ไหมตรงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องสเสียเวลาเพราะพวกสอนไม่สอนเพื่อเพื่ออยากเป็นดังเพื่ออยากจะได้รับรางวัลไม่อยากจะให้เขาบอกเจ้าดีศีร้าะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนเพื่อประโยชน์ของผู้ฟัง แม้เม่อทุกคังไม่ต้องการประโยชน์ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ตอสัตไม่ยั่งยืนเพื่อตอนที่พวกจะริ่ตของที่จะเดินทางไปตรวจต้องไปต่รวาทีก็ลังสูนทางกับพามหรือร่งทางก็ถามว่าท่านไปใครมาเหนจะันไหนพอมันตัดตามครับว่าเราเป็นอราญตัดตานาากเสด็เจ้าถามได้สิ้นสิเลสุขเพื่อแต่ทางผู้สูงนักดิ์แลรวตามยาไปตรวจพวกกันจะกวัดที เขาไฟก็ด awesome, ีไฟก็ด <s ays> <m Shake themselves Moon> ีตลอดเขาต้อด้แสดงความยินดีตนเส้นอะไรด้วยเวลาเขาจะเฉยเฉยไม่ได้สัทธาเขาไมมีเขาไม่มีเชื่อติดไปไม่เา็นจิตใจสกายอะ้รเนี่ยทำงานจะมีพระทธเ้าปากฏจทงอะไรเนี่ย พูที่จะบงเพ็เป็นพุทธเจ้าหรือพรเสธพระุทธเจ้าก็ต้องสร้างจิตอธิษฐานมาก่อนนัคว่าจะเป็นพระุทธเจ้าหรือจะเป็นพริเสธก็คำว่าคว่าอธิษฐานนี่ก็คงหมายถึงการสร้างเปลมาคือเหมือเราอยากจะเรียนเกิดปริมาณอีกเราก็ต้องสร้างเปลาไว้ก่อนว่าเราอยากจะได้ปริมาณอีกแล้วเราก็เรียนไปเรื่อย พอยบมัธยมเราก็เรียนเปัญญาตึงก่อนถ้าถามใจเรายังไม่ได้ตึงใจเองแล้วก็อยู่เรียนนปเลยนี่ก็คือความหมายของการอธิษฐานคือการตั้งใจถ้าอยากจะเป็นวไม่ตึงยากก็ต้องลงเพไปเรื่อยเติมก่อนจะได้เต็มถ้ายังไม่ได้เป็นก็ไม่ก็ไม่หยุดถ้นได้เต็มเป็นเทศเป็นพรก็ไม่พอก็ต้องบำเป็นต่อครับเจรจาของโอของลูปเนี่ยบำเพ็นได้เป็นเป็นพร ได้าตสอนทั้งลกพระชาและลูกระชาล้วเขาก็ขอเขาก็หยุดเหมือนเพราะเขาอาจจะไม่มีสัญญาหรือไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้อธิษฐานว่าอยากาาจะไปสูงกว่นียแต่พระพุทธเจ้านี่อยากจะใหปุ่กันนคือเขาแต่ท่านไม่ได้ที่ช้าเพราขเขาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเขาพระพุทธเจ้านี่นเรเองแต่ชื่อสำหรับสถานภาพิษ สิ่งที่ท่านต้องการก็คือการหยุดพ้นจากความทุกข์กรรงสุขถ้าจะหยุด้ได้ก็ต้องเป็นพระอรหันต์เป็นพระพิเศษถ้าไม่มีใครสอนก็เป็นพระพิเศษถ้ามีคนสอนก็เป็นพระงั้นถ้าใจยังมีความทุกขอยู่ในใจก็แสดงว่ายังจะไปไม่ถึงก็ต้องปฏิบัติอครับเป็นกามไม่มีความทุอยู่ภายในงั้วเวลาที่เราไปตั้งอธิษานเป็นพระพิเาหรือพระอรหันต์เรก็ต้องตั้งว่า อให้หย like the so, at ุดค้นแต่ความที่ท่้งกใจเาะชัดเจนกว่บถพาเราไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไงรูปรางานาตามันไม่รู้เป็นยังงแล้วเมื่อเราเป็นพระพเจ้าขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้ว่าการหยุดค้นแต่ความที่ทังกรงนี่แหละคือความจริงทเราเราก็จะได้มีตัววัดมีเครื่องวัดมือาลารมีเวลาเาขับรเรามีมีเจนัางเดียวเราจะไปถับรถในใให้เกินไ้ยิสยงเราไม่ขับแล้วก็เรือที่เนัด พอมันถึงร้เยสิบแล้วก็หยุดทันแล้วก็ไม่ไม่ห้มันเดือดไหมแต่ถ้าเราไม่มีเกจร้อนเราจะไปรูหรือว่าเราจะเรียกร้อนสิกิลไ้อย่าง ไ, ไอันนี้ก็เหมือนการพ้ายากเปล่น้าอยากเประพุทธเจ้าก็ต้อไงไม่มีความทุกขในใจอยู่นี่คือความหมายขอยงการปฏิหารแต่ถ้าว่าทามันจับมาแล้วก็พอให้ไ เ, เป็นุ้ามันก็ไม่รู้ไปตรงไหนมจะเจ้ายู่ตงไหนก็ว่ากันก็ว่ามันไป มรู้แล้วว่าองค์พระเจ้าคืออะแต่ถ้าบริสุทธิ์โดยที่ได้รับคาสั่งสอนก็เป็นอาหารการรกอาหารการักษา้าบริสุทธต่นเดงก็เป็นองค์เจ้าแล้วถ้าสั่งสอนผู้อื่นก็เป็นอาหารศาสนาองค์พรเจ้าถ้าไม่สา่งสอนู้อื่นก็เป็นกเจกรองค์พเจ้าเพราะกเจริการนี้ส่วนให่จะไม่มีใครรู้เพราะไม่ท่านได้ประกาศสอนยกเว้นว่าคนท่องขงศว่าท่านน่าจะเป็นเพราะว่าท่าน ท่านอยู่ลำาสเปนที่นิยมมากด้วยความสืยงานเป็นตัวอย่างที่ดีอาจจะไม่ได้ผยแร่ทาสอนมากอาจจะทางสอนมากกว่านั้ก็ไม่กล้าพูดแต่เห็นแล้ว่าผอยากไปอย่างนี้ว่าถ้าบรลุแล้วบรรจุแล้วรอแท้ไมมีทางอยากจะถามสอชใคเพื่อเป็นทัพอันดับหนึ่งบรรจุแล้วถ้ามีความวิยะอุสาหามีความอรูณาสงฆ์ฐานจับโลก เดี๋ยวจะให้เขาได้หยุดพ้ความคิก็ประกาศทางเขากระธรก็จะเป็นว่ามันจะทำมาแต่จะแก้ก็จะเขาพิจารณาดีๆว่ามันก็มันจะมีเวลาว่างเพราะอย่างการชนะผมของรัมมิทูนเจ้าสุนทรมายว่าจะมอายุประมาณห้านีหลังจากนั้นแล้วคำสอนก็จะหายไไม่มีใครศึกษาตอไม่มีใครารยมาปฏิบัต ก็ยัม้รรู้เรื่องคาสอนเรีนรู้เรื่อ ง, องการหลุดพ้จากคามทุกขเรื่องเวรเวการเกิดเรื่องดเรื่องสว่าหล่นี้ก็ยังไม่มีการปฏิบัตจะเชื่อไปแล้วแต่ใครจะตกกระจา ถ้าเราถูกกระแสให้เชื่อเลี้ยงเชื่อหรือไม่แค่แต่ระหว่างนั้นมีภาพตัดต่อระาตมีอุบบติขึ้นไหมคะก็มีสีนะครับในพุทธธรนาธเมีน่าจะมีะเพราะว่าที่พูดที่พูดุทัธรนาธินี้ก็ยังหมายถึงระหว่างพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนศาสนาอย่างมาเลยแในหลังนั้นอาจจะมีลังนั้นตรงนี้บรรลุเป็นพระปฏิเจกับพระพิฆาตแล้วก็มีทางท่านไปทางนั้ทาง้องมีที่ตััวกัน มีที่จะได้เห็ที่จะได้ะรามีวามมาึ้นซเ้ากันไม่น่าจะเข้ากันคือบารมีที่สำหรับให้ให้ี่เ่ยเข้ากันแต่บาลีที่มากกันนั้นก็ต้องมีมากกันนั้นเพ่จะสามารถที่จะประกาศองาสนาได้แล้วแต่เราองก็มีสนาอายุที่ไม่เข้ากันอคก็มียาวเป็นหมื่ก็มีห้าปีก็ ทำไมที <Es> <Philadelphia> hmm ่เขาทำลายไม่มีช่วงที่ไม่มีศาสนาเขาบอกกยัาก็ยังอาจจะมีบางคนที่มีรนีจากก็มีอย่างพวกที่ตลาดที่เขาไปที่นอกที่ไม่ดีศาสนาที่เกิดแยกกัก็ต้องเหมือนกันในในในโลกที่ไม่มีศาสนาแต่ก็เป็นยังใจก็็ยังฝันพาฝาอยู่เพราขกได้สัมผัสจากศาสนาลันก็มันก็มีเชื่อล้ก็ได้รับประกาศไรแล้ก็ มันโรคในช่วงนั้นจะยังความรุนแงบ้างใช่ไก็เป็นอย่างย่างเฉพาะคนที่มีมีบุญเก่าติดัวมาคนที่รักษาภาพทางบุญ ไ, ได้ดติ้งชู้เขาก็จะอยู่แบบนั้นแต่คนที่ไม่มีเลยเขาก็จะยู่งใตามตามที่เขาเคย ส, สื่อมาก็ตก็เป็นเหมือนที่เปอยู่ทุกวันโรกเราก็เป็นอย่างย่อมลอย่อมก็เหมือนกันไม่รู้สึกเล เล่นแถวตะวันออกกลางนี่ก็หมือนกันไม่มีาษนาที่ไหนในอฟริกาเลยก็มันก็เขาก็อยู่กันแบบนั้นเขาฆ้ากันกันเป็นข่าวเป็น้าแต่ในนั้นก็จะมีคนบางกลุ่มบางผู้ลที่เขาละนิสัยละไม่ชอาไม่ชอบเบียดยนผู้อืเขาก็จะอยู่เขาเป็นลุมกของเขาไปเนี่ยถ้าเขาม่บุญได้ไปเจอสิ่งที่ายอะไร เราอาจจะบินมาประเทศไทยแล้วไปไ ป, ประเทศทกกี่มีศาสนาคืออย่างนี้ก็เริ่มมีการเผยแพร่ไปตามประเทศต่างๆมากขึนมีพระชาภาไทหรือภาวต่างประเทศที่มาศึกษาที่เมืองไทยล้วตอนนี้เขาก็ขไปร่างเขาแล้วก็ปเผยแสตามารางของร่างไปตามประเทศเพื่อร่างของร่าแล้วก็มีต่อต่อในวิทจุเทียนต่อกัน พอคนที่ได้เคลียร์ก็อาไปจุดที่ที่นี้ที่คนที่ไม่มีแสงก็เอาเไปมาจุดกล่าไปก็ต่อกันเรื่อยๆจากนัพุทธก็เลยไหลไปไหลมาในโลกล้ลลลมอมโลกนี้เมื่อต่อนอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็หลายมาทางประเทศจีนทงอ่าวพมา่ามาทางไทยไปทางจีนไปทางญี่ปุ่นทางจินทางญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าแจกได้ข่อยแจกไม่ค่อยมีเยอะอยู่ ทางไทยเราก็จะรม่มอากลางแล้วจะมีรักที่อย่างอู่เข้ามาแทนที่เราจะเริ่มไปทางทางอเมริกามันก็วนไปเรื่อยๆแต่มันอาจะค่อยๆเบาลงเบาลงเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้พอถึงห้าปันปีแล้วมันก็าจะหายไป พวกเรานี่อยู่ในนิทรรศการแ็เป็นยุคพุ้นปู่เพราะมีศูบาจางมาถกเป็นจำนวนมากเริ่มต้นแรงงานหล่มปู่ม่นนมาเมื่อก่อนนี้แทบจะไม่มีใครนเรื่องการกระหนี่เล่แต่ในตอนนี้ที่พวกเราปฏิบัติกันเราเราก็ค่อยๆไอยู่ในฝ่ามกันวลเพ่มมาได้ในความกังวลมากขึ้นวันนี้เราก็มีสีคำว่าถูกมากแค่นี้ปู่บาจง เพื่อให้พอหลวงาจรท่านเป็นผ er ู้ที่มีความสามารถในการฝึกแผ่ธรรมะได้อย่างกว้างขวางภูราจารย์อื่นก็ไม่ได้ฝึกแผ่อะไรหมูแหวนหมูปู้าวแล้วก็ควรจะมีจากท่านแต่เราจะไม่ได้มีคำสอนคำสอนท่านเลคำสอนที่มีมากมีอินก็มีขออาจารย์อาจารย์คะ ตอนที่ท่านดุหรือไมแล้วเป็นอากาด้านตา่านแรกท่านพบหนูาที่ท่านมีความรในสึกไงตาไม่ใช่ไม่รู้ไม่เคยสึกษาประวัติไม่เคแต่ท่านดุท่านดุนิมาท่วนดแท่หนดาอะไรท่านแค่ท่านดุทักสองสามทีท่านตะคอกใจสองสาทีแล้วร้องไห้เราต้องทำเป็นกล้าไม่กลว แค่ก่อนไปนี่จะได้ที่สังฆราชท่านไม่ได้ท่านสั่งอะไรบอกก็ไปจ่ายก่อนเลพื่อการของนีญาตวัวจะไปวัดหลวงตาหมาบัวท่านก็บอกว่าเออให้ญาิญาตให้ไปแต่หวาจะรับว่าไรับม่อยู่ที่ลาท่านไม่ได้เล่าถึงโอกาสแร่คิดถท่านลวงตาเกียเลยผมเียท่านจะไปได้พูดไหมครับงาที่บวท่านก็ได้จะนัง สมาธิกทั่งที่คืนก็เาจะกิท่านจะนั่ที่ที่ที่ตนหับที่ราานมือให้ท่าอีกแล้วถ้าท่าอุ่นไหลชอบปฏบัติชน่เข้าไปนั่งท่านาก็พอทาวัดเสร็จเข้่ไปนัานี่คืพอเวลาที่จะจะรายงาท่านก็มาตอนที่นั่งสมาตอนนั่งสมาธิเสร็จก็นะกลับมาล ไม่แก็ไม่ได้ไมอดเจอมมาแต่ท่ก็านาแท่านค่หนึงน่า่ทนนล้วเรั้ก็ไม่ได้พบทานจำไม่ไ้ว่าบท่านที่บาอย่างท่านก็ราไม่ได้ไม่กราว่าบวที่ไหนท่านบวชที่้าในขาตุงวะเราเดก็ควรท่จะอยู่แต่ถ้าเราอยว่าท่านบวชแล้านอยู่นงา พอเราไปพอเราไปแล้วเราก็ไม่เคยกัไปความิดนวเก็ไม่เคยกลับยการไปที่ยว่ทางองทางที่ทางแต่ก็ไม่ได้ไปเยกลับไปแต่ลุงแกจำท่านอาจารย์ได้ดราะจำอยู่ด้วยกันเมื่อเราเข้าวตนเนี่ยเรากเป็นลูกแตุ่ก็ไม่มามีแค่ิบขอลูกตนเห็นหากันก่อนดูบายแล าการให้เมตตาเพราท่านเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยเอาหมูเอาคณะนี่นตัวว่าเราจะถูกเขมรถูกตามเมตตาหางานอะไรบางอยางให้เราทำ่ามีคนเียื่อกี้อถือไม้าขอหนาเสือแล้วก็อาเอามเนี่ ย, ยที่ท่านาก็จะาาม า, มมาที่สุตมาีสุตีตรงมาดูงานน้นห้าหลวะขอห้เสอนีมนาแต่ท่ตอไ แล้ก็เรื่องนี้หน้าที่ของฤๅษีธรรมะแต่เราไม่เดยไปกัดไปจะหาท่านพิจุตเลยแต่ท่านอ็ยังมารีท่านก็ะ่านมาในีิจุตดูได้หมดเลยว่าว่าเราค่อนข้างที่จะเจ็บตัวแล้วก็ไม่ได้ไปม่ได้ไม่ได้ตัณเกิดขึก็คนอีกน เราน a งก็อยากจะอยู่ใกล้สวัสดิการจะรับใช้คนอื่นะรับฝากเราด้วยนั่งสมาธิอย่างเงาคนดีมากกว่าแล้วก็เลมิรเรื่องาาวเ่ไร้มาทาลกันมันก็เลยยากะนเหมอนการสอบติดงานอยูางีรัเก็ีางทีเขาเลยอาจจั้ก็ต่า เวลาของคือใครจะต้องทำในทีนะต้องอีกบางคนง ก, ก็สเสร็จก่อนนะาคนก็มาตาได้ดนรได้ือืองหนยังไตยถ้าเของมามีหจะห้าตถ้าองมันไม่อก็เรกไปเลยให ครอบครวนั้นเล่นเท่านั้นเน่ให้ผ่าน ก, กันไม่ให้เล่นไ่ให้เล่นมาทำที่จะไดเขาได้ยิดิดทังคงนี่คืทำมากว่าถ้าใดูายมาก็เมืนบว่ามันมันจะ ไม่เนี่ยก็ไม่น่าอะรยังไม่ใส่ก็ถ้าะมาปีความของเลยั้งเลยแต่ไม่ใส่แครแต่ก็ไม่เยคิดว่สคเ่รดาจะไปไม่ไนี่เาเเรงที่เราไม่ได้คิา่้คิดว่าลองขาดความระจอยู่ขาความประหก 用班长打那个老公，那也行，你妈还来过。他有什么话？他有什么话？他不讲。你讲了，你讲。你讲了，你讲。 ไม่รู้สิไม่รู้สิไม่รู้สิ เพราะเราไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็มีฐานห้างนี่คือันที่มีเห็นกัดที่เหแค่รูปคนเดียวเพราะว่ามีโรงยาบาลกว่างไม่สามารจะเล่นกับพวต้นไล พ promise, the house, the so the domestic, the the ุทธารีเขาก็มีชีวิตแต่เขาไม่มีวิญ้ไม่ว่าเัม็กเป็นการฆ่าัีมีานะที่เ็นตัวงด้ถ้ามีาเเพเ้ก็าไม่ด้เพราะไ่มีูาง้นัน้มะัิ่เป็นร อ๋อเพราะในสมัยตุนการชาวนเดีก็คิดว่าสมัยมีชีวิตะนี่ยเป็นก็เล่าเป็นเหมือนรับเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาล้วกล่าไปตัดตมาก็เลยไปตัดแทงตัดขาคนก็เลยเขาถ้าจะยึดโยมให้นักเดือดทก็เลยห้ามไม่ให้ไให้ตัดต้นไม้ไม่ให้ไม่ให้ถอนยาหรือก็เลยยึดโยมเป็นการทำยาชีวิ แต่ผู้ตามภายตามหลักธรรมแล้วเราไม่ได้เป็นสิ่งที่คือไม่ไม่ไม่ได้เป็นีเลือดไหลมันไม่ได้มไม่ได้เป็นศัมันเป็นคนดีมันไทงานมันก็ไม่ไม่ไเสียหายอะไไม่เสียภาพถ้าเกิดเขาเมื่อเราเมื่อสมัยนั้นเขาถือกันเองกันนักบวดก็ต้องไม่ว่าจะอยูนรักที่ไหนก็ถ้าไม่อยากที่จะถือตามก็เสียทางมาก เพราะต้องอาศัยเขาบิดาสิ่งไหนที่ระเจ้าทรงเห็นว่าไม่ถอบมวบครมและวก็เป็นตปทางความัะเทืีความเห็นของของโลกท่านก็ท่านก็ทำทมานก็ลงทานก็แต่สิ่งไหนที่ท่านทรงเห็นว่ามันขาดความรับอก็จะไม่ไม่ลม กากับระยะอะไรนี่มันเชี่ยวกันเพรเะถือว่าผลกับมันจรงนี้มันถ้าเราไปปลกไว้ันจริมันจแค่ในน้ำมันมันหอกเสดงว่ามันยังไมันไม่ตายฉะน้าถ้าสราทมาขบเที่ยวมาจริงที่เราต้มมาแล้วทมแล้วก็ไปกับมนได้ตมข้นแล้วกเราไปทาลายชีวิตของต้มมาได้ตมด้วยกัน เน้นก็เราจะให้สัตยายายโยมฆามันไปก่อนเขากับปีร่ายก็เืิดป้ายาสมันกัดปีร่ยก็โรยที่หมายถึงว่าทำให้สมควรแก่น้องคยควบรือยังญาณโยมก็หักมันย้องบอกเปมันแล้วบอว่าสมควรญาณจะฆ่าปร่ายทนเต้ก็แปลว่าฆ่ามันแล้วตายแล้ว ถ้าทำได้าไจะผลไหมเราไปแยกย้ายมีคว่าอนไของที่เรายึงดูใหม่ได้เช่นนี้เาเล็กๆแต่งูปลกพลกอะไรที่เราเล็กแล้วเราเล็กๆมีท่าไปครอบนี่ก็แยกที่กินอด้ไปครอบเป็ะต้นขึ้นมาได้ หรือพวกผักบางชนิดที่มันมีรากักคอสักไม่สวเลยถ้าเราเพลียน้ำไว้อยู่ก็ออกรากอันนี้ก็รูดับนี้นแต่เวลาทำเราก็ทาทีเดียวความกันให้จัดก็เล่ทางเดียวการครับแล้วก็ทำทั้งสิ่งใดขึ้นสิ่งใดขึ้นไปอย่า๋ย่า็ยกมันขึ้นออกมาให้มันใ้มันตัดติดกันไว้ทั่วไปเหยือนกับ้าถ้าขวนนี้เราถ้าัดตกันแล้วก็ตัดทุยะนเก็เป็นอุปกร แต่มันทำเนื้อหาเพื่อที่จะให้มันสูกจางก็เองนั่นเองบางที้าไม่ทามันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้ไปทาอะไรให้มันมันเร็วขึ้นก็ดีอย่นีแต่เมื่อเราเราอยู่ในสังคมของโลกของเราที่เราที่เราเชื่อมันก็ไม่คนที่จะต้องเปลี่ยน ถ้าาอย่างที่หลอนที่ใจนเป็นควันทุกข์มากแสดงว่าการทก็งแต่จะไม่รู้ว่าการท่้ายการีเาไม่ไดวลาใหโลกเราเรียนรู้ว่าทกค็อากาเป็นดนตรีแต่ถ้าเอาเรืงเขาิารทำเนี่ยะรู้ว่าเราถึงขั้นไหนแล้วถ้าเราได้จริงๆแล้วเราไปทำเนี่ยก็พอตุจจารเียร้พอที่จะทำประเมินได้ปาะมาได้ แต่การปบัตจรแล้วถ้ามีโยมที่เข้าไปไปพรว น, นไปประมาณถาถาให้ดูที่ใจจะหนัก่นะะให้ใจจะสงบจะสงบมากไหมทำงานก็ก็ให้รู้ว่านสงบนั้นถ้าราสงบในระนีน้เราก็จะไม่รู้ว่าความสงบที่ละเอียดตรนี้ที่มากกั่นี้เป็นแต่ควาเมื่อเราปฏิบัติต่อไปถ้ามันลงที่นึกเข้าไปล้วก็จะรู้ว่าออกมาที่นี่มันยงอยู่ทันนั้นอยู่ที่ทันนี้ เมื่อเรับคถเม่าปนกรปอยๆะาเรีน่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ได้นั่งูว่าคือถ้า่เียาทีเรา่ตีอตมันก็ยนปเรื่เนี่ยร่ ตันน้ก็ต้องเกความเสียใจคามเสียใจความเสียใจอย่างอย่งพวกทะต้องต้องมาปวะมินว่าวอารมเนี่ยสานังจากที่พระพุเจ้าทรงปรด็ษฐ์รักากันลพระอาจารย์พระอาจารย์องลูกท่ามีลูกศิีลูกยใกล้ชิดในองการศึา เราได้ได้นำได้อยู่ได้ั่งงานงานของการปฏิบัตินนีก็อที่จะได้ถึงข้อมี้มนี่ันจะเช้าเรื่อยเรื่อมันอยูที่การปฏิบัติของผู้ปฏิบัติถึงมจะอยู่ใกล้แล้วแต่ถ้ามันเม่ปฏิบัติต่อมันก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าคนนี้ไม่จะอยู่ไกลกว่าแต่ต้องปฏิบัติเร่งเครื่องตอดเวลานี้ดีไม่ดีก็เล่าแซงหน้าไป็นอย่างนี้ท่านาจาย์งแต่ละคนนี่ โอเคเราไม่เรอาจจะวัดเป็น nope, ร <øre> ูปธรรมไม่ได้ว่าใครแนวแบบไหนแต่ว่าในสักการของคุูาอาจารย์ที่สั่งไหนว่าผ่าขั้นตอนกรรปิบัติมาแล้วเนี่ยเาจะมองเกาะนว่าเขจะมีแววทางด้านไหนบ้างตองว่าทางนี้ท่านั้ท่านนเท่านัน่านเสารที่เกิดมาแล้วที่ทกิดมาเนี่ยตอนเาเห็นมาเขา้ว่ามัมันนวีแววมันเป็นอะไรท่เปนว นั่นนี่อาจารย์ีนเด็กเนี่ยกอาจารย์ดูเด็กในห้องเขจะดู่เดมีว่ามีแรงไม่ยนะพวก่ชอบจะูครับการออกกิกรรมกิริยาการเราออกมาจากจิตใจเะะน้จิตใจเป็นยางไงก็ดูที่กิริยาการได้คนแล้วก็ดูที่โมหะให้ดูท่หน้าจ้าวมีความสดใสมีความเปล่งปลั่งมรอมีความอะไรก็แล้วแ่ของคนละนั่น ตวกหมอดูบางคนก็นยังยูหน้าคนก่อนถ้าจะจาียนสอนเนี่ยแสดงว่าพอมีแนว บ, บ้างมันไม่เหมือนมันจะได้เีนเวลาที่ได้มีแนวหลักที่นี่ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าสอนเจรจาสนทนนะคุยข้าวเวลาไป พี่นาที่พักนั่นเองพอจะสั่งกต้องจะต้องงั้นใช่ไหมเขียนจรนงี้ค็ยังเห็นเาเลยอาจารย์คะถ้าหากว่าเราทำบุญทำกุศลทุกครั้งเนี่ยนะคะก็อธิษฐานขอรลาลุธรรมีไม่ครับที่กะ เราทำแล้วไม่ต้องขอก็ได้ที่ที่การาทำาทํายแล้วพระจะให้พรหรไม่พรก็สมก็ด้อยู่แล้ววากันได้อยู่แล้วความที่พระให้ก็เป็นเพียงธรรมะเป็นการให้กำลังจิตกำลัใจแปว่าผมแต่เมื่อทานี้ถก็ว่้ทาต่อไปเยอะๆนะจะได้เอา้านนี้ขึ้นไปให้ดูด้นขวัญชง เวลาทำนะถ้าท่านไม่ได้ให้ความใลเ้เนี่ยเป็ทย์จะติดยอะทให้นอะเยเราขอาให้ท่ชาช่วยให้เราวยาช่วยเราช่วยเรช่ <c oughs> วยให้าทำเาเราไทแนแล้วเร า, าก็กเลยกาลังติดกำลังใจกกจายใช่มนะเราะนันเคั่ฐานารมีะ ความตั้งใจเนี่ยจะมาเรียกตั้งใจจะมากันเนี้ยถ้าตั้งใจแล้วไม่มาก็มาชื่วยแสดงว่าสัจจะเราหนึ่ถ้าตั้งใจเข้ามาก็แสดงว่ามีทั้งมีทั้งอภิถามีทั้งสัจจะถึงจะสมเด็จได้ถ้าตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็มีเครื่องอื่นก็ไม่มาแสดงว่ามีความตั้งใจการไม่มีสัจจะทางเราก็ไม่ได้ทำตามที่ตั้งใจว่า เาว่าคำถามนี้ไม่ได้เป็นการขอ<ม>เป็นการท่าใจก่อนในเราจะทอะไรกราต้องท่าใจเช่นวันนี้เราก็ท้าใจแล้วความหลาไม่รดชอบที่แล้วว่าวันที่ี่สิเนี่ยเราจะมาที่ไี่ทําถ้าเราอยากจะมาเราก็ท่าใจแล้วแล้ก็จดจำในใจแล้วก็พยายามที่จะปัดงานอื่นที่จะมาคล้ำกับวันนั้นเรียงง่ายๆว่าถามันมัมีความตั้งใจมีคางสังขารก็คือที่ใส่ที่จริง แต่บาคนนี่เขาอาจจะมีศาสตา์แรงกันนไม่ว่าจะสุดิสัยหรือไม่สุดวิสัยที่สำคัญสำคัญเมื่อท่านยายมาแล้วต้องมาให้ได้ถ้าจะต้องทานนานต้องทานายจะต้องหาพนันอาหามางคนก็เป็นอย่างนั้นเขาหนีอย่างเช่นที่พุะจ้าสงเนั่งนอยู่ที่ทุนโกลเจ้าทุนโกลความวิจะรงการจะลงก็ต้งทั้งเสียสารที่ทำว่าจะนั่งอยู่ตอนนี้ที่นี่จนกว่าจะบรรลุเราจ มันรู้ทำงานจะสเร็จถ้ายังไม่สาเร็จยังไม่รรลถึงแม่เลือดในร่างกายจะเห่แห้งไปก็จะมีะีคือาแต่ว่ามีทางเดยวเทนั้นคือของท า, า, า, า, า, างนั้นคือถ้าแม่ตายก็ต้องสำเร็จต้องไม่เร็จก็ต้องตายนั่นแหละคือข้อร้าที่า ไม่ได้ิการขอไปทั้งทางทำบุญชั้นนี้ลาก็ขอให้ไปทั้งทางเพรานมันไม่เป็นเหตุผลการทำบุญในวันนี้จะทาให้เรามีความสุขใจผ่านทางจะมีความสุขใจนี่คือของที่เรากการทำบุญวก็เป็นบุญที่จะถึง้ในพรน่งน้ท่านน้าถ้าเรายังไม่ขึ้นสุดกางหรือไล่ตายเสร็จเราได้พร่งน้าช้าหนาเราก็จะเงียบสงบนอบุมที่เราทำในอัีนี้อยู่ได้เลย หรือแม้จะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเราจะไปเกิดเป็นห้ากระทาเป็นแคงมี่เราทำไปเลี้ยงดีเราเลียงดมีเกศีก็ไปเลี้ยงมี้ามอลความที่สองของดวถ้าไม่ได้รักษาถี่เราต้องไปเจอเจอแต่ถ้าความบูรด้วยรักสาถื่ด้วยก็จะไ้เกิดเป็นเพศเมื่อหมดจนจากเพศก็ลงมาเป็นอุ้งมันจมีก็คือรูปย่างเงาตาสวยงาม เกิดบุญกอนองความสองให้สังไม่องตถ้าทำบุญอย่างเดียให้ทางเดไม่ราคาถึงทาทําก็ต้องไปถือทางแต่เป็นทางที่ดีคือที่ความคองในทางได้ปลัยทื่มีคนพี เราเคยเกินหาอยู่ที่ว่าตาล่างๆแล้วผมไมนเคยทำ บ, บุญามาทำให้รักษาสิ่งพอของคนนี้แล้ว จมาที่บุญเดีวจะมาทวค่ะนีัมาที่เก่งค่ะไวัดตั้งเดนยรได้ไสตาีรรค Usually, the questions, h e answer is to be found in in yourself, because the question originates from yourself. But other people can only help you to find you to go look inside yourself to find the answer, because the question arises from a wish of ignorance, and you need a m y a or wisdom to be able to find the answer. And this no one can give you. You have to develop t h i s y s t l f That's why we call enlightenment. No one can enlighten you b u t yourself. Other people, like the Buddha, can only teach you how to do it, but you have to do it yourself. o a o k Okay. a y o k a o a <c oughs> หมอเขาคาถามมันออกมาจากใจเราคําตอบก็อยู่ในใจเรา <c oughs> เราต้องตื่นเชิงหาคําตอบเองด้วยตัณญาเพราะว่าคำถามนั้นออกมาจากาวิชาความรู้แล อ, อ, อความเห็นและคําตอบที่แท้จริงจะต้องออกจากใจเราผู้อื่นเพีงแต่และวิธีสร้างตัณญาได้แต่เราจะต้องเป็นผู้ที่มีดวงใจทําเองวิชา ถึงจะพบคำตอบที่แท no ้จิงท mm. er ี่เราต้องทำได้เพราะถ้าเราเจอคำตอบนี้แล้วจะไม่มีคำถามอะไรตอไปไม่มีคำถามเลยถ้าไม่มีวิชาไม่มีความหลงอยู่แล้วไม่มีคำถามไม่อยากจะรู้อะไรทั้งสิ้นรู้หมดในโลกนี้ก็เป็นอย่างไรไม่ต้องสงสัยไม่ไม่มีอะไรคาคาอยู่ในใจเลยสิ่งที่มันาอยู่ในใจเราก็คือความหลงเอง ที่ทำใหเราคิดแล้วก็ไม่เข้าใจกับเรื่งราวนะพอมีปัญญามีแสงสว่งางทังแล้วก็มันก็จะเข้าใ จ, า จ, ะจะอะไอ่งเงี้ยพระพุทธเจ้าท่าไหลท่านอยู่ไม่ต้องไปทาง ใ, ใครดู่าไปทางทำ ไ, ไมแต่เรานย่าไปถา ถามได้แต่คาตอบที่แท้จริงเราก็ต้องหานะคำตอบเองที่จะให้คาตอบได้ก็จะเฉพาะคำามที่เกี่ยวกับวิธีการที่จะทาให้เราเกิดปัญาญาเปนวิธีการปฏิบัติถึงนี้ไปถามมันเันก็จะคเรื่องอย่นอื่นให้ความวิธีให้บวงตาแบบขึ้นมาดวงตาเป็นาแล้วเราเห็นได้ทงกสิ่งทุกอย่างตอนีอ้เราหลับตาแล้วก็เราทาเป็นอะไรบ้า ถ้าลืตานช่ลืตาแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครลืมตาเราตาตาคือตาใจเราบอดบอดเรื่องวิชาบอดเรื่องก็ต้องต้องสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้มีดายนี้เป็นเขาเรียกตาไรเรียกาธรรมะจับสุลนี่นคือธมะจับจุแล้วเจะสว่างสว่างวิชาไปในใจจะต้องใจหมทุกเิ่งทุ่อย่างในเรื่องนี้ จะไม่สังเกตเกี่ยวเขาไม่ว่าก็คือก็เหมือนพระจานรที่มันค่อยสว่างขึ้นแสงส่างมันจะสว่างเต็มรวมเวลาพระจันรเต็มรวงนี่มันจะเห็นเห็นชั่วไมถ้ายังไม่เต็มรวงมันก็ยังเห็นไม่ไม่ไม่มชัดเจเวลาที่พระจันรเต็มรวงก็เหมือนกับจิตที่สว่างสว่างเต็มที่ ไม่เร ah ียนวิชามองนิดอยู่เลยถ้าพระอาจารย์ยังไม่เต็มโยมยังกปนหวันเด็กก็ยังมีวามส่วนที่ยังเรวิชาีความด้วยกันตัวนั้นก็กลังไม่เน่ถ้าอริยสัจขัามนี้ท่ามีความมีความเห็นไม่เท่ากันพระสุดาบันนี้จะเห็นได้ระดับหนึ่งแต่พิารณามีริารณาอได้รดับถ้าเราเหนเห็นไม่ได้ค่เป็นเด็ คำว่าไม่เห็นก็คือยังหลงยิอยู่กัาบางสิ่บางอย่างพอเวลามันียังยิดติอยู่ยาานยยในคาามสุขอีกพอเวลามันาานี้ยังมีครอบครัวยังมีสามียังมีภรรยายแต่ถ้าเป็นราคางันนี้ริ่มเริมหันห่างครับเริ่มเบื่หลายอยางแต่ยังไม่ไม่ไม่ไมเลือเต็มที่ทางา น, นก็ยังอยากอยู่แต่พอขึ้นถึงข้าราชารอันนี้เริ่ือเต็มที่แล้วไม่อยากจะมีแจะไม่อยาก เราไม่อยากจะมีความสุขทางด้านการทางรูเปเสียงกลิ่นรสเพราะเห็นสิ่งไก็เห็นแต่ความไม่เทียงธรรมเราเห็นคนบบ เ, เห็นก า, า, า, ารเราเห็นความไม่เที่ยงานรแต่าอารมีแต่เ็นรูปเข้ากัรูปสวนของร่างกาก็จะเกิดความเมื่อหนาเกิดความไม่ยินดีแล้วก็ขึ้นไปถึงระดับนนั้นก็คานวาอะไรา ก็จะเห็นภายในจิตไม่ว่าจะเป็นมารณ enfin ่เป็นอริชาหรือว่าทางยึดติดอยู่ในรูปธรรมและรูปฌานนี่ก็เป็นส่วนที่อางนาคาไมียังยังติดคือละความสุขทางรูปรูปรูปสิงสิ่งลดได้แต่ยังเป็นติดอยู่กับการอยู่ในฌานในรูปฌานและรูปฌานวต่ยึดติอยู่ในมาละในการคสื่อมโรมเสื่ตัว ยังไม่เห็นอวิชาคือยังยังยังยังไม่ตายอย่างที่ว่ามันเป็นความท้าที่จะยากจร้องไม่ยังยังยังรองอยู่ก็แล้วกันยังไม่หยุดจยากเอวิชาแต่ถ้าบกเพ็ญไปเรื่อยๆมันก็พิจารณาไปเรื่อยๆที่เป้าหมายของการบำเพ็ญมันไม่ได้อยู่ที่เ้างนอกนไม่ได้อยู่ที่ตัวที่สิ่งที่เป็นที่นั้น มันจะอยที่จิตกับการทำงานขอนนมาขันที่มันจะทางานแล้วเกิดมีมีความสุขความมีความสว่างมีความมืดความความเฉาของจิตมันปรากฏขึ้นและอยู่ที่จะรู้จักวิธีปฏิบัติต่ออย่นั้นมันต้จะลงไปที่ตายลักอยู่ดี้าเไปทำารมนัก่แล้วก็อวางสภาว่าทำกังขามีเปี่ยนอไรเปียนงานอยไ่หนึ่ง ก็อยูนท่านแล้วมันจะยึดติดในจุดเอจิตหลมันก็จะพยายามรักษาไวแต่โดยธรรมชาติที่มันยังไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แท้จริงมันก็ยังมีความเฉามีการเสี่ยงได้จากจุดมันก็จะกลายเป็นทุกข์นี่ยทุกข์ในติดเนี่ยในที่ละเอียดพราะมันทุกข์ก็ยี่พยายามที่จะแก้เพื่อจะให้หลุดก็เลมือีเราไปทาไปรักษาไม่เห็นว่ามันกันไปได เหมือนกับเราเมานนื่อก่อนที่เรามีกนารรักษาชุบเยียนทางรางการตอนนั้นพอเ็บวก็ตว้วเขาเา้ายมาหบบเ็อังเก็บทงนี้เราก็เป็ยนยาพอเนเสมันก็เจ็บมันก็่พคนคารเยนเป็นคว า, ามคามทุกที่ละเอียดีในจิตมันก็เป็นเหมือนย่างนั้นตนเป็ น, นที่ละเียมันอยู่ในจินตเมื่อเข้าไปในความนั้นมันก็จะปยดติดกอุ วายพาทุกคนเปนมาก็จะพยายามที่จะหนีมันลดพยายามทาให้มันหยาบพอมันหยาบไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกลับขึ้นมาอีกมันก็ไม่จบมันก็อยู่ดกว่าจะเข้าใจว่าอนี่มันก็เป็นเหมือนกับเอ๊เวทนาทางกายนย่ไปยังนิจังทิศทางกันรก็ต้องคิดพิรณาอยน้ว่าเป็นนัตจาเราไปทำอะไรไม่ได้เราละปล่อยมันไปก็มันก็มอนก็ักมันเงมันก็มันก็จะมามายุ่งเกี่ยวอี เดีาจรนาโดัผ่านรถที่ถึงน้นกี้ท่เระทกระจทาเรื่ออแนวงท่ังนี้ถ้า็เชื่อไปเดี๋ยวะหญ่กนี่กำลังเนี่ยเรา้องเชสภาธิปนยานับนับแปดเลย ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสาสังปโัองค์ประกอบของปัญญาก็คือความเห็ชอบกับความคิดชอบคิดดีพูดดีคิดดีใคิดคิดก็เป็นใตรักอะไรวคิดนีแนวคนี่คอปฏิบัติแดไหนถรัเนี่ยไอ้แค่นี้ถ้าเราถ้าเราปฏิบัตินับแปไปเราก็จะต้องอาไอ้กำหนดกำหนดกำหนดรู้ทุกเที่ยมีอยู่ทุกส่วนในของร่างกายได้จุใจ พอรู้ทุกแล้วแทนที่เราจะไปแก้ทุกข์ด้วยการปยายามที่จะไปทำลายหลักมันเราต้องทำความเข้ า, ขาใจาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลเป็นสภาวะที่เราไปควบคุมหลักมันไม่ได้เราต้องปล่อยให้มันเปไปตามเรื่องของมันมันจะทุกข์ไปมันทุกฝัไเดียวทุกได้เดี๋ยวมันก็หายได้เช่นเราเราเราเราดังว่วนวนารางกม่นเจ็จมันเจ็บเราไปปอยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันก็หายได้ก็สำคัญใจเราอย่าไปาทุกข์ก่อน ก็คก็ถ้าเข้าใจแล้วมันกะล่อยวางแล้วว่าเรารับกน้ายะมันก็จะปล่อยวางมีทำให้ไปไปรังเกียจมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของมิจฉามิจฉาลมกันแดดแบบนี้เราไปปฏิเสธเขาไม่ได้เราก็ปล่อยาไปตามน้วของเมจะตกแดกจะออกนมะพัดก็ทาไงได้นห็เดอายุมาตอนนี้ไม่กงมันจะพัดเราไป กระแกระทกกัะสินตายกันมันก็ต้องเปลี่ยนไแต่ใจเราไม่ได้ตายตตา ไ, ตไปย <S <S กับร่งงกายใจเราจะดำไปทุกคนเรามอให้ทุกอย่างนีม่นนน ม, นมนันมันเป็นธรรมาติไปหมเราไม่สามารถที่จะไปจัดการมันได้ตอนที่เราก็จัดการกับมันอยู่แล้วก็พุ่นก็กำลังอยู่จัดทารได้เวลาจัดการกับมันได้ก็กดีใจเช่นวันไหนร้อนแล้วเปิดแอรได้นี่ก็ดีใจมีความสุข ถ้าต <unlucky S 2> ัวไหนใส่ผ้าอันนี้ก่อนแอก็ไม่ติดเครื่อาี้คนะแต่ถ้าเราปล่อยน้อยละ้อนไม่ต้องตดแอกก็่ะคนายร้อนรอนแอกใจเราอย่าไปร้อนกับมันก็แล้วนี่คือวิธีแก้ปัญหาที่ถือแก้ทุาด้วยการปล่อยวางทุกอย่างไม่ต้องไปจัดการกับเขาเพราะนเราชอบไปแก้ธรรมาติใช่งนถ้าบ้าเลยวุ่นวายเลยหมดโยกร้อนขึ้นมาก็พ่อเราไปแก้ ยิ่งแก้ก็ยิ่งยิ่งเสียเนี่ยถ้าเราอยู่แบบธรรมชาติแบบสมัยก่อนเนี่ยเาอยู่กันมาต้องผี0 0นเปียีเจร้างเปียงไม่มีปัญหาแบบโดนนอนแบบโดนเราแล่พวกเราานี่พอมาผลิตรถยนต์มีมีอุตสาหกรรมขึ้นมานี่เท่านั้นโอ้โหทีนี้ก็ปัญหาใหญ่โตขึ้นมาเนยเียไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นาราปัญหาข้าลกข้าพวกเราทั้งหมดได้แต่คนบนงนก็บ่นว่าพวเราที่เขาอยู่กันมาเป็นล้านปีเไม่ได้มาทาลายธรรมชาติหรือเปล่า เพราะเขาไม่มีสัญญาเปนพวกเราก็ไม่เจ๋งเป็นพวกเราพวกเราเจ๋งในการทำมานโดย <c oughs> แต่คิดว่าเรากําลังกําลังจัดการธรรมชาติกำลังสร้างความสุขให้กับเราฉะนั้นถ้าเราปล่อยปล่อยว <c oughs> า, างธรรมชาติได้ น, อน้อยเท่าไหร่เราจะอยู่อย่างเย็นสบายมากขึ้นถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้อยู่เขาเรียกว่ามักมัก น, น้อยสันโดก นึกถติภีรพอรเพีนนยงให้ในหลงรงทรงพอสอนอยู่ทุกวันก็อยู่แบบนีนอยู่กับธรรมชาติตัดเราให้เข้ากับรมชาติรีบัดตัดรชาติให้เข้ากับเราเพราะความอยากขงเราไม่มีที่สุดสตับเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอใจสักทีได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเวลาต้องย้อนตับไป คืากลับมาฝึกใจเราทำใจเราให้เป็นเด็กขากับรับกัทุกสถาให้ไดุ้กกรรับงานทุกกระรับงานเมื่อหมม่อุกกระรับานแล้วเราจะมการสิทธิ์ลอดีรอเรา่ให้หรืใจเราท่านเองก็ย้อนกลับมาให้าดิใจเราให้จิตอยากปล่อยให้มัน ไล่ไปตามอรมนี่ให้ตามความคิดเราต้องจัด ก, การกับใจเราทีที่เราควรจจัดทางไม่ใชนจากการกับธรรมชาตเราควรจะจัดการกับใจเราให้อยในทรรมงความธรรให้อยู่นนใอนอุเตกยกรรมคือการอวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ให้พิจารณาว่าเรามาอยู่ช่วงเพียชั่วคราวนี้เราเ็นสกับีิตเราเรกับอะไรที่เราได้อยชีวินี้เพราะวันหน <c oughs> ึ่ ง, งเราต้องชื้นมตัวเองดี จะให้ได้มาบ้างว่าเวลาเรามีเาอยู่ร่างแต่งานเนี่ยมัอก็ต้องก็ต้องจัดการแต่ถ้าเราเลยดูแลจต่งานขับจิตใจตลอดของเราได้จนจนจิตใจเงิือนของเพราะพระพุทธเจ้าของเราได้เนี่ยมันก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปจากการขับอะไรต่อแบบกไปจลกดเรื่องความรำสุขครับ เพราะว่าพลังงานก็คือถูกแบบไม่มีที่สุดถ o กตลอดในงานแต่งง า, ารต้องเป็นพลังงานทุกอย่างไม่ต้องว่ า, างแบบท a กสิ่งทุกอย่างวายวางทุกสิ่งทุกอย่างติดไม่ยึดไม่มไมติดกับอะไรติดว่างมีแต่แตัดว่ารู้อยู่อย่างเดียว <c oughs> ที่การจะดีแบบนี้นะมีเวลาให้พอนะ